อาจารย์ครับการรับราชการครับผมยืนยันกอนคุณนาองและท่านผู้ชมทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้รายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าครับอาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อทําบุญให้ได้บุญนะครับอาจารย์แต่ก่อนอื่นป้าอาจารย์เมื่อเช้าวิยธบารคนเยอะไหมครับประมาณ 1. 1> สามร้อยสามสิบเอ็ดสามร้อยสามสเอ็ดอย่างมานนี้เยอะกว่าวันนี้เป็นวันพระ 400, ครับสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าอ๋อ oh, ครับอาจารย์ช่วงนี้เดินแต่เช้าเลยใช่ไหมครับเห็มว่ามืดสว่างเร็วใช่ไหมครับอาจารย์คือตอนนี้พ้าทิตขึ้นเล้วนะสว่างทอนประมาณทีห้าสี่สิบห้าแล้วเราเปไปตามตะวันแล้วรรมะสมัยก่อนก็ไม่เป็นาฬิกาเขาดูแสงตะวันเป็นหลักครับวันได้วันได้ได้อารุณเขาเรียกวันได้อารุณ วิธีดูอารมณ์ของพระสมัยก่อนท่านดูด้วยดูใบไม้ในป่าถ้าเห็นใบไม้ชัดเป็นใบๆก็แสดงว่าสว่างแล้ววันใหม่แล้วหรือวิธีหนึ่งก็ให้ยื่นแขนออกไปให้สุดแล้วดูฝ่ามือถ้าเห็นลายเส้นของฝ่ามือก็แสดงว่าสว่างแล้วถ้าบอกก่อนสว่างเพราะว่ายัางถือว่าเป็นวันวเป็นเป็นของเมื่อวานนั่นอยู่ ถ้าเป oh. ็นตะบาดก่อนสว่านนี้ถือว่าอาหารที่ได้มา น, นี้เก็บข้ามคืนไม่ได้ชันไม่ได้ oh. Oh. Oh. ไม่ได้ไม่ได oh. oh. ้ต้องรอให้ได้วันใหม่ก่อนถึงจะออกเป็นตะบาดได้ oh. Oh. Oh. ถ้ารับอาหารก่อนก่อนวันใหม่ก็ถือว่ า, าเป็นวันของเมื่อวานนี้คือวันของทางศาสนานี้เริ่มต้นที่ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นไม่ใช่ตอนสองอยางแบบเวลาสากร เช่นวาทิตยนี้เริ่มต้นที่ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตอนที่ได้อารุณ์ถึงเป็นถ้าเราไปรับประทารก่อนเวลาที่พอาทิตย์ขึ้นนี่แสดงว่ารับประทารของเมื่อวานนี้ครับถ้ารับประทานวานนี้ก็เก็บข้ามคืนไม่ได้ฉันไม่ได้ครับอะไร<อ>ต้องรอให้มีอารุณ์ให้ได้สว่างก่อนได้ได้วันใหม่ก่อนเขาเรียกว่าได้อารุณ ที่ดูการร่นคลาดูที่ใบไม้เนี่ยอยู่ในป่า ก, ก็ดูใบไม้ถ้าเห็นใบไม้มันเป็นใบใบชัดเจนเป็นใบก็ถือว่าสว่างแล้วโดยอถ้าวิธีนี้ก็อย่างที่บอกให้ยื่นแขนออกไปให้สุดแล้วก็ดูฝ่ามือครับถ้าเห็นลายเส้นฝ่ามือก็ถือว่าสว่างเอาอกินบำนาได้รับบาญเป็นบานาได้<ำ>ที่นี้<ำ>ทา่าน ตามโคจรของอาทิตย์นี่มันไม่เท่ากันช่วงฤดูหนาวนี่มันจะขึ้นสาย6โมงกว่าช่วงฤดูร้อนนี่ตีห้ากว่าทาันปีหนึ่งประมาณทันประมาณ 3-40 นาทีด้วยกัน้มันก็จะกลับไปกลับมาอืพระอาจารย์ครับตอนที่ผมบวชมีพระอาจารย์ท่านสอนว่าตอนก่อนลุ่งอรุณต้องสังฆาติจีวร อ, อะไรต้องอยู่กับตัวเราด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ต้องรักษาผ้าคลองไว้ สมัยก่อนผ้าท่านเป็นผ้าป่านะท่านต้องคอยดูแลรักษาผ้าให้ดีให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนว่าถ้าเผยไปเดี๋ยวลื่ไ ม, ม่ที่ไหนน่ า, า จ, จะหายได้ต้องรักษาผ้าเพราะท่านมีชั้นท่านมีอยู่ชุดเดียวสมัยก่อนผ้ า, าเนี่หายยากมากต้องรักษาผ้าะจะ่สระผ้านะเราอยากที่แสงสวรร่างขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ต้อง อ, อยู่ใกล้ตัว เพื่อรักษาเวลาอยู่ในที่มืเนเวลามีความจาเป็นที่จะต้องไปไหนมาไหนก็นทา่านห็ยกงมีผ้าติดตัวไปด้ทยปฏิบัติมาแต่ไม่รู้ความหมายของผ้าจักรจะารักษาผ้าคล้องพยายามข้าคืนนี้ต้องผ้าคล้อมนี้ต้องอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาจะสละผ้าคล้องได้นก็ตอนที่สว่างขึ้นมาแล้ว อาจารย์ครับวันนี้อยากจะกลับมาเรื่องทําบุญครับอาจารย์ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับการทําบุญเยอะมีคนเครียดเรื่องทำบุญว่าเออโดนเรีย อ, อะไรโดนอะไรเยอะครับวันนี้ก็เลยขอความหมายพระอาจารย์ว่าบุญคืออะไรแล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เราได้บุญแล้วเราสบายใจด้วยครับอาจารย์ครับกลับบอกว่าเมตตาครับคือบุญที่คุณบองกล่าวถึงนี้หมายถึงทานคือบุญจริงๆนี่มีอยู่สิบชนิดด้วยกันการทําบุญนี่มีอยู่สิบชนิดแต่ที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือทาน การให้การเสียสละแบ่งปันการทำบุญก็เหมือนกับการทํำอย่างหนึง่งทําแล้วมันก็เกิดผลใช่ไหมเป็นหมอรับประทานอาหารเพื่อนะรับเพื่อดับความหิวว่าให้เกิดความอิ่มขึ้นมาครับเพื่อเลี้ยดูร่างกายให้อยู่ต่อไปได้อปเรียน้นังสือสี่ปีในมหาลัยนี้เพื่ออนะไรเพื่อได้รับปริญญาร์เป็นักปริญญาร์ไป การกระทามันมีเหตุมีผลของหมันการทําทานก็มีเหตุของมันการทําทานก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งการทําทานที่ทาเพื่ออะไรทําเพื่อชําระกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่ทําให้ใจไม่มีความสุขกิเลส ใ, ใ, ในในในในกรณี้นี้คือกา ร, ค, การคือความความตหนตีความเห็นแก่ตัวความใจแค่ความโลภ อ น, นความยึดติดในวัตถุเข้าของเงินทองอ่างตา่างๆไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่ทําให้ใจไม่มีความสุขพอได้ศิียสละแบ่งปันเงินทองไปก็ได้ละความโลภได้ละความโลภที่อยากจะได้เงินเยอะๆอยากจะร่ำอยากจะรวยก็ละลก็ละความตื่หนหีความหวม่วงละความเห็นแก่ตัวทํา ทำเพื่อผู้อื่นบ้างทำอะไรให้เกิดประโยชน์สุขกับผอื่เมืเ่อละกิเลสเหล่านี้ได้ความเศร้าหมองอมก็หายไปความสุขความสบายใจก็ปรากฏขึ้นมาอันนี้แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการทำบุญแล้วอันที่สอต่อไปก็คือใจที่มีความสุขเวลาตายไปเป็นดวงวิญญาณใจก็จะอยู่ในสุขคติอยู่ในสวรรค์ชั้นต่ตาง แล้วเวลากลับประเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีเงินที่เราทําบุญนี้กลับมารอรับเราอยู่ดอกเบี้ยเหนพระเวชสันดรนี้ท่านทําบุญอย่างมากมายพอตายไปท่านก็ไปสวรรค์แล้วพอท่านลงจากสวรรค์มาท่านก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีปราสาทสามดูเดืเป็นลูกของกษัตริย์ด้วยพระกษัตริย์ นี่ละคือสิ่งที่เราได้จากการทำบุญส่วนอื่นนั้นมันเป็นเรื่องโมงเมเรื่องการเชื่อแบบมงงาเอก่อทำมุญแล้วจะประสบสำเร็จในในหน้าที่การงานก็มีจะร่ำจะรวยก็ได้หรือจะเจริญในยศฐาบรรดาศัพด์อะไรต่างๆหรือจะมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานอะไรไม่มีอุบัติเหตุอุบัติภยัย อันนี้เป็นความเชื่อมองเงาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับหลักของการทําที่พุทธเจ้าได้สอนแต่มันอาจจะเป็นเหตุบางนคนทําบุญแล้วเกิดรู้สึกเจริญเก้าวหน้าในที่การงานแต่มันไม่ได้เจริญเพราะบุญนมันจเจริญเพรา ะ, ระอย่างเหตุเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้เจริญแต่คนท้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีคร๊อไม่ได้เข้าใจก็เลยจะเมาว่าเเรื่องของบุญเอ ก็มีขั้นๆกันเคนี้เนะยของบุญนี่เวลาทําบุญอยากไปหวังอะไรตอบแทนอย่าไปเชื่อการโฆษณาอะไรต่างๆบางทีเขาเชื่อว่าไปทําบุญอกันที่ด้านแล้วจะนั่งรวยจะเจริญก้าวหน้าทรราําธุรกิจขาดค่าจะเสนอสบายอะไรบางคนก็ทําบุญเพื่อให้ถือวัตถุนี้กับมีมันหวัวเรานี่คนทําบุญกันเยอะอันนี้เป็นความเข้าใจผิด ไม่ใช่เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลของการทำบุญมามาณการทาบุญทั่วชาระกิเลสที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองคือความโลภอย่างได้ความตนีความหวงความเห็นแก่ตัวความใจแค่สิ่งเหล่านี้จะได้รับการชำระออกจากใจแล้วจะทำให้ใจเบาใจสว่างใจสบายมีความอิ่สนะังเกตในวลาทเวลาคุณน้อทําบุญเนี ถ้าดูที่ใจมันจะคว่ำในมันจะเกิดความรู้สึกตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าไปดูอย่างอื่นนี่นอาจจะไม่่าอาจจะเิดหวังกานทานการทำบุญนี้ไม่สำคัญว่าทำกับใครสำคัญว่าให้เราให้หรือไม่ให้ต่างหากการทำทานนี่คือการให้ถ้าเราให้จะให้กับคนธรรมดาให้กับพระอาจารมันก็เหมือนกันถ้าจำนวนการให้ของเราเท่ากัน ไม่ต้องไปเรื่องหาวัตที่ดังๆมีอาจารย์ดังๆเลยให้ที่ไปอย่างนันก็ได้อยากอืตอบแทนด้วยเช่นถ้าไปว่าไปทําบุญกับพระหรืออย่างหลวงตาหลรลืออะไรบุญนี่ก็จะได้ยินได้ฟําคําสอนของท่านด้วยอัน <Okay. S 1> นี่แหลเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าผลที่เราได้จากการทําบุญผลที่เราได้จากการทําบุญก็คือตายไปก็ได้ไปสวรรค์ แารได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วอาจจะบรรลุมากกว่าน้ผ่านในขณะที่เราฟังธรรมเลยก็ได้อันนี้เรื่อนี้เป็นสาเหตุที่ให้เลือกทํากับคนที่ฉลาดที่มีคุณธรรมเขาบอกว่าทําบุญกับพระธรรมดาได้สิบเท่าทําบุญกับพระที่ได้ฌานสมาธิได้ร้อยเท่าทําบุญกับพระอริยะได้ปัญญาได้บรรลุธรรมพระโสดาบันได้ได้หมื่นเท่า อาศิกิคาได้แสนธทราคูณไปเรื่อยๆจนถึงขั้นพระพุทธเจ้าพเพราะว่าความรู้ความสามารถในเรื่องของการสับสอนธรรมะมีไม่เท่ากันอันนี้เป็นสิ่ที่เราต้องเลือกถ้าเราอยากจะทำบุญเพิ่ม ไ, ได้รับได้รับผลประโยชน์นอกเหนือจากบุญที่เราทำคือความการชำระกิเลสความโลภความหหวอะไรต่างๆ น, นี้สิ่งที่เราต้องการได้เพิ่มก็คือธรรมะ อย่างนี้เราก็ต้องไปทํำกับผู้ที่มีธรรมทํานั้นเราก็จะฟังเทศฟังธรรมสนทนาธรรมถามตอบคําถามอย่างวันนี้ก็มีคนมาฟังธรรมร้อยเจ็ดสิบคนเนี่ยทำเสร็จแล้วเขาก็ทําบุญถวายข้าวของเงินทองทำอะไรต่างคนที่ยังสงสัยเรื่องอยู่ว้ถามถาคําถามตอบไปได้เกิดความกาะจ่างเกิดความเข้าใจทำธรรมก็ได้ได้ ได้ได้ยินได้ฟังได้สัมมาทิฏฐิได้ปัญญาที่จะสามารถนํามาะใช้ในกันกัดเกลากิเลสที่ทานและสิงไม่สามารถทําได้ต้องาศาัยการฟังธรรมปัญญาที่เกิดจากการฟําธรรมประกอบกับใจที่สงบนิ่งในขณะที่ฟังธรรมให้เป็นสมาธิใจก็จะสามารถใช้ปัญญาถ้าเข้าใจมาดับความดับกิเลสที่ละเอียด วากิเที่เกิดจากการที่ได้จากการทาทานรักษาสี่อันนี้ถึงถึงเรื่องการทําบุญถ้าเราอยากจะทําบุญได้ได้อันนี้สองจากการทําบุญเพิ่มจากการเสียสลับแ บ, บ่งปันอยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องไปครับเพราะคนที่มีธรรมะเราจะได้มีโอกาสได้คุยใสนสมณลาธรรมท่านได้ฟังธรรมจากท่านแต่ถ้าเรา ไม่สนใจทำบ้าบางคนมาวัดทำบุญใส่บสร็จก็กลับบ้านา เ, เลยไม่รอความเทศทำความธรรมอะไอันนี้ก็จะทําที่ไหนก็เหมือนกันทำกับพระอะไรหรือทํากับพระธรรมดาก็เหมือนกันเพราะจะได้แต่บุญที่เกิดจากการให้อย่างเดียวแต่จะไม่ได้บุญที่เกิดจากการทำความธรรมสุนทนธรรมอาจารย์ครับแล้วคนที่เขาไม่มีเงินทําบุญมากไงครับ แต่พอจะทาบุญด้วยวิธีอื่นได้ไหมครับอาจารย์ครับไม่หรอกบุญมันน้อยมันมากไม่สําคัญเพราะเราไม่ได้วัดที่ตวงเงินไม่ได้วัดที่จำไม่ไม่ได้วัดที่จำนวนเงินแต่ว่าส่วส่วนของเงินที่เรามีอยู่ทรัพย์สินที่เรามีอยู่สมมติคุณหมอมีล้านหนึ่งนะคุณหมอทาบุญสิบเปอร์เซ็นต์ี่ต้องเท่าไหร่แสนหนึ่งใช่ไหมถ้าอาตมามีพันหนึ่งนี่อาตมาทำสิบเปอร์เซ็นต์ทำเท่าไหร่ร้อย <100 S 2> เดียวร้ดีก็ได้บุญเท่ากัน ความรู้สึกเท่ากันเพราะเสียเท่ากันในสัดส่วนคนเสียน้อยละสิเราก็เสียร้อยละสิบแต่จานวนเงินไม่เท่ากันแต่ความรู้สึกเท่ากันความสุขใจอีกใจความชนะความโล้ความตื่นี่ความโหงไี่เท่ากันเพราะเสียน้อยละสิบเท่ากันงั้นคนจนกับกับสบายกว่าทำใช้เงินน้อยกว่าแต่ได้บุญมากกว่าคนรวยที่ต้องทำละก็ใช้ อ, อ, ย อ, ยอย่าไปเสียใจที่เราเป็นคนจนแล้วเราจะไม่สามารถทํําทาบุญได้เท่ากับคนรนวยเพราะการทําบุญเพื่อเพื่อชําระกิเลสนะนี่ในกรณีที่เราพูดถึงนี้คือทําบุญเพื่อชํำระชําระความโลภชาระความตัณหความหวง่เนี้ยเราดูที่สัดส่วนของทรัพย์สินที่เราทําไปถ้าทำร้อยสิบทั้งสองคนก็ได้เท่ากันได้บเท่ากันได้ชําระกิเลสเท่ากัน แต่อนนีสงจากการที่เราตายเอามาเกิดใหม่นี่มันไม่เท่ากันมันที่เราจะได้รับกลับมาไม่เท่ากันถ้าเราทําแค่ร้อยเดียวเรากลับมาก็จะได้ร้อยเดียวรอเราอยู่แต่คุณหมอทําไปแสนหนึ่งคุณเมอก็จะได้แสนหนึ่งกลับมารอคุณหมอง อ, งอยู่ในภพหน้าชาติอันนี้ไม่เท่ากันอีกประเด็นครับอาจารย์เรื่องเรียรไรบุญนี้ควรทํำไหมครับอาจารย์ครับ ถ้าเรียลลัยแบบเชิด บ, บังคับไม่ควรทํำแต่ถ้าบอกบุญพระก็รู้เพราะบางทีเขาไม่รู้ว่ามีการทําบุญแล้วคนบางคนก็อยากจะทําบุญแต่ไม่รู้จะไปทําที่ไหนเพรั บ, รบถ้าเราบอกเขาอย่างนี้เขารู้แล้วเ ข, า, า, ว า, เ า, เข า, าจะทําให้ทำในเรื่องของเขาอันนี้คนบอกอันนี้เป็นเรื่องของการ เ, ออเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้ทำ บางทีไม่รู้ว่าที่ไหนเขาทำบุญหรือที่ไหนทำบุญแล้วมีความมั่นใจว่าไม่ถูกหลอกอะไรเงี้ยบางทีก็าจจะต้องอาศัยเพื่อนฝูงที่เราเชื่อถืออย่างเง<ว>ี้ยเพื่อนฝูงเราจะไปทําุญปีนนี้เราจะไปท่ากระทินในบ้านนั้นอบอกได้แต่อย่ า, ายื่นซองแ ม, ม้ขอถ้าว่าอยากจะทำบุญก็หาซองได้หรอกซองเใช่ค่่ค่ะ อย่าไปยื่นซองยื่นซามนี่มันเป็นการเรียลลายเป็นการบังคับครเป็นการขอเราไม่ต้องการขอเงินใครแล้วเพียงแต่จะบอกบุญให้ทราบว่ามีเหตุการณ์มีการทําบุญเกิดขึ้นมางทีบุญบางอย่างเราทําคนเดียวไม่ไหวเพราะมันเป็นบุญใหญ่งานใหญ่ใช่งานทอดกรถิ่นเนี่ยถ้าเราไม่เป็นเป็นคนที่กระเป๋าใหญ่ที่เป็นเจ้าภาพทําเองคนเดียวไม่ได้แต่เราอยากจะทําบุญกรถิ่นเราก็ต้องรออาศัยคนที่ก็มี มีมีทรัเยอะแล้วเขาบอกให้เราร่วมงมือด้วยบอกให้เขาให้เรารู้เผื่อเราอยากจะทำมือก็ร่วมมืกับเขาได้เขาไม่ลังเอียจเราก็จะได้ทำบางอย่างที่เราชนิดบางอย่างที่เราอยากจะทําที่เราทําเองไม่ได้เช่นบางคนชอบสร้างองค์ทะลุอย่างเงี้ยองค์ใหญ่ราคาแพงๆแต่สร้างเองก็สร้างได้ไวแต่ชอบสร้างองค์ทรูุ ก็ต้องรอจาังหวะท่านมีเพื่อนฝูงบอกว่าจะมีการไปสร้างวัตถุที่ท่านที่นี่กขก็จะได้รุญด้วยถ้าบอกบุญ อ, อย่างนี้ได้อยู่นแต่ท่านยื่นสองให้เขานี่มันไม่ได้บอกบุญนะมันรีบปุญรีบใจ อ, อย่าพูดอะไรทําในานใลักษณะที่บังคับเขาถ้าผมบอกได้บอกได้ มีมีคนถามเยอะเหมือนกันครับแต่ผมเองก็ไม่กล้าบอกเขาท่านทมหลวงตาท่านท่านท่านบอกมันเรื่องทำภาพาป่าช่วยชาติเนี่ครับท่านก็บอกบุญท่านแม่นยืนสองไปส่งซองไปตามสถานที่ต่างๆให้เขาใส่ซองมะแต่บอกเขาเนได้ว่าตอนนี้ชาติบ้านเมืองกำลังต้องการความช่วยเหลือเงินคงครองเหลืน้อยเป็นนี้เป็นสินอ่า ถ้าเราอยากจะช่วยชาติก็มาช่วยกันไว้ชาตินี้แล้วเงินทุกบาททุกสตางที่จะว่าให้หนงตาท่านก็นจะมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยไปในช่วงนซื้อทองคำแล้วกเอาเข้าอันนี้เป็นเรื่องบอกได้บอก ไ, ได้ครับผมเข้าใจกระจ่างแล้วครับอาจารย์ครับกล่าวขอบพระคุณอาจารย์ครับมีคนถามต่อครับอาจารย์ พิสมพร์แบอบกว่าทําบุญคือการทําทานทําด้วยวิธีอย่างไรก็ได้ที่เป็นความสุขอย่างนี้เข้าใจถูกไหมครับอาจารย์คือเราให้ของที่เป็นของเราไม่ใช่ไปไปช่วยคนนั้นคนนี้มาทําบุญนล้วเราเอาของของคนนั้นคนนี้ไปทําบุญแต่เราไม่ควักกระเป๋าเราเลยไม้แต่บาทเนียอย่างนี้เราไม่ได้บุญเพราะของเป็นของคนที่เราไปช่วยเขามาทําบุญเราเพแต่เป็นคนที่ทํา ช่วยช่วยให้เขาได้ได้ทําบุญบางทีเขาไม่ว่าเขาไม่มีเวลาไปว่าเราไปวัดประจำเขาก็เลยฝากมันมาไปทำเราก็เอาเงินของเขาี่ไปทําบุญแต่เราไม่เอาเงินของเราออกมาไปทํำด้วยพราะเราเห็นว่าเงินเงินของเขาแล้วเราก็ไม่เข้าใช้เงินของเราทำอะไรเขาไปทําบุญเราอาจจะได้หน้าในตาแต่พะเราเอาเงินของคนอื่นมาทําบุญแต่เราไม่ได้บุญได้แต่หน้าตา พเพราะาไม่ได้เสียสละเงินไม่แต่บาทเดียวบุญจะเกิดได้ต้องเป็นหนึ่งเป็นของของเราทรัพย์สินเป็นของเราสองมีความเจตนาตั้งใจที่จะทำนั่นได้ทำจึงได้ทําได้เสียสละเงินก้อนนั้นไปบุญถึงจะเกิดขึ้นครับคลิปเนื่องจากหนังสือพ่ะกายค้าตสติของหลวงตาครับคุณพระท่าน พัทละนันนายถามบอกว่าผมเห็นภาพมัสุภะกรรมฐานมีความรู้สึกเฉยๆครับต้องปฏิบัติอะไรต่อครับถ้ายังใช่ยังไม่รู้สึกอะไรก็ก็ต้องออกไปกระตุน้นการมารมลให้มันเกิดขึ้นมาหนึ่งนะไปดูภาพตกกันข้างไปดูภาพโพดูภาพรูปแล้วดูช่วงเราเกิดการมานมขึ้นมาหรือเปถ้าไม่มีการมารมลการดูสุภะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะแสะดงว่าเราไม่มี เราไม่มีปัญหาทำด้านกลามลงถ้าเราเกิดไปดูแล้ว เ, เกิดกางมัลงขึ้นมาแล้วยับยั้งมันไม่ได้เราก็อาจจะต้องใช้ภาพอสุภภาพมายับยัง้งเราก็ต้องเปลี่ยนภาพจากการดูภาพเสี่ยงมาดูภาพอสุภภาพ ด, ดูว่ามันจากกาับกลางมลงได้หรือเปล่าอสุภภาพนี้เป็นเป็นวิญญาที่เรามารักษาโลคความโรคโรคที่เกิดจากความความอยากเสพ เศษกาลกามลมาลาฆ่าตัดหานเวลาเกิดกามกามาลงขึ้นมานําเกิดความหมงุดหงิดจะต้องระบายความหมงุดหงิดนั่งด้วยการไปเศษกามอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนวิธีแก้ด้วยการใช้อสุภะเอาภาพอสุภะมาดูเพราะนึถึงภาพอสุภะกาลมาลงที่เกิดขึ้นก็จะดับลมไม่ได้อันนี้เป็นยา อยาถ้าคุณไปดูตอนที่คุณไม่มีการอาลมดูไปมันก็ไม่มีกวามรู้สึกอะไรเหมืคุณไปกินยาแก้หวัดตอนที่คุณไม่ได้เป็นหวัดกินไปมันก็ไม่มีผลอะไรกินยาแก้ไอตอนที่คุณไม่ไ ม, ไม่ไอากินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอสภาพนี้ก็มีไว้เพื่อนครับเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาคุณเข้มจีลาครับความหมายของการทําบุญทําแล้วจะเป็นอย่างไร ทำบุญในขณะที่ใจเศร้าหมองมันจะได้เพียงใดครับอ่ก็เหมือนครับเวลาเราเศร้าหมองมันก็แล้วแต่ว่ามันเศร้าหมองเรื่องอะไรการทําบุญมันไม่ได้มาครับมันจะไปรับรับความเศร้าหมองได้ถ้าเราสูญเสียคนที่เราลักไปเราเศร้าเพราะเหตุนั้นเราไปทําบุญมันไม่มันไม่ได้เป็นทํามันไม่ได้ชำระความเศร้าหมองอันนั้นมันไป็ชำระความตณิชความ ความโขงความเห็นกับตัวถ้าเราต้องการทำนักคํามเศร้าอมองที่เกิดจากกาสรสูญเสียเราต้องทำงานด้วยทำํำด้วยปัญญาเจริญปัญญาพิจารณาตายละพินานจารณินใจว่าร่างกายของคนเราเกิดมาแล้วต้องมีความตายเป็นธรรมดามีการท่นานพากจากการเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้ได้ความเศร้าหอมอง ของใจเราตอนนั้นมันก็จะหายไปได้แล้วเราต้องเข้าใจว่าเราเราต้องการทําบุญเพื่ออะไรถ้าเราต้องการทําบุญเพื่อชํำระความตันหนีเราเม็นคนขี้ตันหนีขี่เดนียวความโมความเห็นแก่ตัวความโลภความอยากได้ดงเงินทองเยอะๆเะการทําบุญจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทําให้ใจเราเกิดความสุขขึ้นมาได้ เราะเวลาที่เราแกิความตะนี่เกิดความหวงเกความโลภใจเราไม่มีความสุขแต่พเราชำนาญความโลภความตนีได้ด้วยการทำบุญาำทานนี้ใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสงบจะสบายขึ้นมาฉะนั้นมันอยู่ที่การทำอยู่ที่ว่าเราเราทํำบุนเพื่ออะไร เพราะวองใจของเราแต่ละคนมันไม่แน่มันไม่มันไม่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ถ้าเราเศร้าหมองนอกจากคิดว่าทําบุญต้องจ่าให้เศร้าหมองาก้วจะไม่ให้เศร้างครับพราจครับแต่บางทีเวลาเศร้าหมองเราไปทําบุญมันก็สบายขึ้นนิดๆิดหน่อยหน่อยเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็มันก็เจอเจอจากความสบายใจที่ได้จากการได้ทําุญมันก็อาจจะไปคล้ายคลาเหมือนกับไปไปกลบ ความเศร้าหมองให้มันน้อยลงไปถ้าได้แต่ความเศร้ามองนั้นมันก็ยังอยู่ทุกครั้งที่เราคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราเศร้ามองมันก็ยังมันยังไม่หายไปนอกจากว่าความเศร้าหมองนั้นเกิดจากการเสียเงินเสียทองไปถ้าเราทําใจว่าที่ว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นการทําบุญไปเงินก้อนนั้นนยถูกเขาหลอกเนี่ยก็มาหลอกเอาเงินเราไปถ้าเราก็ทําใจว่าอ่ะคิ่าเป็นการทําบุญทาตานไป การเจ้าของให้หาได้ครับคุณสมพรครับทําบุญแล้วได้บุญจะเป็นบุญที่แท้จริงต้องมีสามขั้นคือตอนเตรียมตัวก่อนทําได้ทําและทําสําเร็จทํากับใครก็ได้เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่ความบุญที่ได้บุญที่เกิดในใจคือความสุขใจเอ็นใจบุญที่ได้ได้ได้ชํานะกิเลสของเราเนี่ยทากับใครก็ได้ ทำแบบที่บอกขั้นต้นเราต้องมีความเจตนาเตรียมตัวต้องมีความตั้งใจมีเจตนา 2. ทําตามที่เราได้มีเจตนานั้นคือให้ของของนั่นไปเมื่อให้ไปจากเราแล้วทําเสร็จแล้วบุญก็จะเกิดขึ้นความอิ่มใจสุขใจก็จะเกิดขึ้นทันทีไม่ว่าจะทํากับใครแม้จะ่ทำกับสุนัขก็เก่อความอิ่มใจสุขใจเนื่อการไปปล่อยปลานะปล่อยนอกปล่อยปลาซื้อไป ไปซื้อปลาที่เขาขายในตลาดที่รู้ว่าจะต้องถูกค่าแกะแล้วจับซื้อมาแล้วก็จับไปปล่อยในน้ําในแม่น้ำบางทางแล้วมันจะเกิดความสุขใจขึ้นมาคุณวีนาถามว่าหว่านบุญได้บุญไหมครับหวานบุญก็คือการทําบุญการทําบุญทําทานก็จะได้บุญคือความสุขใจหิ่งใจได้ชําระจิตใจ ให้ลอยสุดขึ้นนิดมากนิดหน่อยคือได้กาจัดกิเลส ข, ขั้นของบุญได้ขั้นการทำบุญทั้งการได้คุณสมพรบอกว่าทําบุญอย่างไรหรือวิธีใไดได้บุญสูงสุดครับก็ต้องภาวนานะถึงจะได้เป็นขั้นสูงสุดคือขั้นปัญญาขั้นแต่ก็ต้องแตกต่างขึ้นไปจากการทําบุญขั้นต่ำเ น, นื่องจากการศึกษาจะ การศึกษาอย่างไรจะได้ปริญญาที่สูงสุดก็ต้องศึกษาระดับปรริญญาเองใชครับที่ก่อนจะไปถึงปรรัญญาเองได้มันก็ต้องผ่านปัญญาโทผ่านปัญญาตรีผ่า น, น, าานมัธยมผ่านประถมผ่านขันข้นระดับานก่อนมันถึงยาไปถึงขั้นสูงสุดไนดะ้การทำบุญก็แบบเดียวกันก็ต้องหานขั้นที่พระเจ้าทรงสอนการทำบุญด้วยการทําทานก่อนเสแล้วก็ทําบุญด้วยการรักษาศีล เสร็จแล้วก็ไปทําบุญด้วยการภาวนาสถามถะภาวนาก่อนแล้วค่อยไปวิปั ส, สนาภาวนาพอเราไปถึงขั้นวิปั ส, สนาภาวนาเราก็จะไปถึงผลที่เราจะได้ก็คือมรรคผลนิพพานขั้นสถมถะภาวนาเราก็จะได้รูปปัจจานะรูปปัจจ า, านขัน้นของธาขั้นของศีลก็คือเราจะปิดอบายได้ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะปิดอบายถ้าเราทําบุญเราก็จะไปสวรรค์ชั้นเทพได้ อันนี้คือขั้นตอนของการทําบุญซึ่งไม่ใช่ว่าอยากจะได้บุญสมส่วนต้อจะไปทําได้เลยกําลังเราไม่มีมถ้ากําลังมีอย่างภาพปัญจารวกีเนี้ท่านทํามาแล้วท่านบวญแล้วท่านเสียสละนินทามออกบวญรักษาศีลบริสุทธิ์ฝึกสมาธิได้รูปปัจจานะรูปปัจจานเอาบุญเจ้ามาสอนวิธีเจริญวิปัสสนาให้เห็นตายรับเห็นอนิจจมทุกข์ อ, ขอนัตตา ท่านก็มันรูปเป็นผ้ า, า, าได้ในขณะที่ฝักแบบนี่ยอยู่ที่ว่าเรามีภูมิที่จะรับบุญขั้นสูงนี่เลยว่าถ้าเราไม่มีภูมิปัญญาที่จรับจะรับบุญขั้นสูงได้ต่อให้เป็นควมเทศความธรรมจนหูฉีกมันก็ไม่บรรูปใช่ไหมคุณมนีนุชครับถ้าเรารู้สึกง่วงมากๆแต่ยังฝืนความง่วงมานั่งสมาธิแล้วจิตรวม สุดท้ายก็ไม่สามารถนั่งนานได้แบบนี้สงสัยว่าในเมื่อจิตรวมแยกกายกับจิตออกจากกาันแต่ทําไมต่อสู้กับอาการทางง่วงเพลียทางกายไม่ได้ครับเอ่ถ้าจิตรวมมันต้องตื่นะถึงจะเรียกว่าจิตรวมจริงถ้าจิตรวมน้่งง่วงมันสแสดงว่ามันไม่ใช่จิตรวมจิตจะหลับมากกว่าครับถ้าจิตรวมนี่มันจะตื่นเหมือนกับตื่นขึ้นมาจากเหมือนกับได้หลับนอนมาสิบชั่วโมง อต่ที่นุ่งม่วงนะพอเราใช้สติข่มใจขมความม่วงได้ทําใจให้สงบได้นีมันจะทําให้เรามือนตื่นขึ้นมาเราไปเป็นแต่เราไม่ได้ข่มด้วยการนั่งนะเวลาม่วงว่าเราเดินจงกรมเดินไปแลใช้สติครอบคอยควอบคู่ใช้ให้ไปอยู่กับความม่วงให้มันอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธน่ะสักระยะหนึ่งเดียวความม่วงหายไปเลยแล้วความตื่นมันตื่นขึ้ น, นมาเต็มตัวเลยเหมือนกับเหมือนกับนอนพึ่ง น, นอนหลับไป่นขึ้นมาใหม่ใหม่ ว่าใจก็เย็นใจก็สงบใจก็มีความสุขทนงด้านหลถึงเรียว่าใจรวมจริงๆถ้ารวมแล้ว่วงงอนมันก็ไม่ใช่รูปมันก็ไม่ใช่รวมมันเรียกว่ามันจะหลับมากกว่าพระอาจารย์ครับตอนเดินนี่ก็รวมได้แบบนั้นเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์ได้ถ้ามันแบบดีแต่มันไม่รู้แบบร่างกายหายไปมันรวมแบ บ, บจิตสงบเอาชนะความวม่วงได้ ความง่วงที่ทําให้เรานีไม่มีสติสตังเนี่ยพอเราใช้พุโทโธพุโทโธหนึ่งสติกลับมาต้องอาการง่วงเหงาหงอนนี่หายไปเลยเหือนพลิกมืดหน้ า, นนาเลยใ น, น, า น, นยฝาบจิต ก, ก็สงบกลับมาไปสงบได้แต่ไม่มสงบแบบขณะที่เรานั่งสมาธินต่มันสงบแบบมีพลังขึ้นมาไม่ง่วงไม่นอนเดินต่อไปนั่งนั่งสมาธิได้ไม่ง่วงคุณธนวันครับ การนั่งสมาธิต้องนั่งได้ถึงขั้นไหนถึงจะได้บุญเจ้าคะและบุญนี้สามารถอุทิศบุญให้บุคคลอื่นได้หรือไม่เจ้าคะก็ต้องได้ฌ า, านขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นฌานขันน้นที่หนึ่เริ่มได้บุญครับจนถึงฌานขั้นที่สี่ก็จะได้บุญมากที่สุเดเลยเวลาที่เราเอาติดกับฌานขั้นที่สีคือจิตจะสงบนิ่งสัตรวร์ตะวัเป็นอุเบกขาขึ้นมานิ่งสงบไม่มกคามคิดปุ่มแต่ แล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหีือกว่าความสุขทางปุ๋อันนั้นเป็นเป็นบุญที่เราจะได้จากสมาธิขั้นสูงสุดคือบุญที่เกิดจากความสงบเนี่ยความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยอันนี้เราไม่มันเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะเอาไปใช้อุทิศบุญได้แก่พูดยังไม่ค่อยมีการการพูดถึงเรื่องการอุทิศบุญด้วย ด้วยบุญที่เกิดจากการสมาธิาำสมาธิหรือการรักษาสิ่งเพราะคนส่วนใหญ่นี้จะเข้าไม่ถึงบุญแบบนี้พระเจ้าถึงสอนให้เราถ้าหลักจะอุทิศบุญให้กับผู้ที่นอมนับไปแล้วทุกคนสามารถอยู่ในฐานะฐานนั้เพราะคืออุทิศด้วยการทำทำบุญทำทานใส่่าตรบริจาคเงินให้กับบุคคลใคบุคคลนถ้าพอเราบริจาคไปนล้วเราก็จะเกิดความสุขใจ อันนี้เราสามารถเราไปอุทิศชาตกับผู้ที่ลงรไไับประดาวได้ให้เขาไปเหมือนกับไปสู่สุคติได้พระบุญที่เราทําจากการให้ทานนี้จะทําให้ลงวิ ญ, ญญาณเป็นสุคติไม่จําเป็นจะต้องไปถึงขั้นสมาธินี่มาถึงขั้นโคมลโลกนญ่มัานากมากซึ่งคนส่วนใหญ่้จะไม่สามารถทําได้บูเจ้าถึงสอนในกรนี้ที่มัน ที่มีเกี่ยวกับถิการนี่ก็ไปเนื่องจากของบ้าของของกษัตริย์ลูกหนึ่งที่มีนิมิตมีอะไรที่ในพระราชวังมีใครมาสบเสียงดังดังน่าหวาดเสียวน่ากลัวก็เลยส่งไปสอบถามเขาบอกว่าเป็นเป็นอมานของท่านในชาติก่อนอมานนี้เคยเอาเงินท่านเคยสั่งให้อมานนี้เอาเงินไปทำบวญแล้วยักยอกอมานนี้ยกๆๆักยอกเงินไว้ ไม่ได้ทำบุญทั้งหมดเพอตายไปก็เลยมาเป็นมาเป็นเกลดในชาตินี้ก็เลยคิดถึงถึงท่านเพราะท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณมีอุปถัมภ์ก็หวังว่าจะมาขอส่วนบุญจากท่านพระเจ้าก็บอกว่าให้ทำบุญใส่บานแล้วก็อุทิศบุญ น, นี้ให้กับประมาทขอท่านไปนี่คือเป็นที่เรื่องราวที่มาของการทำบุญที่บุญมีแค่นี้แนหะ นี่แล้ ว, วขยายคำว่าบุญว่าเป็นศีลบ้างเป็นสมาธิบ้างเป็นวิปัสสนาปัญญามากงอะไรไปอันนี้เป็นเรื่องโมเมกันไปซึ่งอาจจะเอาไปใช้ก็ได้แต่มันมันมันยากกว่าที่เราจะไปถึงขั้นเหล่านั้นได้เพราะคนส่วนใหญ่นี้นจะทำบุญได้เย่างมากก็แค่ทำทานนีท้ที่ทำได้ ท, ทันทีทันใดทุกคน คุณสมพรครับทำบุญมีสิบวิธีแต่โยมมักติดทำทานมีวิธีอื่นใดอีกบ้างครับที่โยมจะทำบุญได้กับกันนอกจากทำทานครับอทำทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาเราไก่อนที่จะมาทำบุญทำทานรักษาศีลก็มาฟัเทศน์ฟังธรรมอย่ตอนนี้คุณก็กาลังทำบุญอยู่กำลังสอนนาธรรมฟังธรรมอยู่นี่ก็ได้บุญแล้วถ้าเรา เราได้ได้ธรรมะเราก็ไปแบกปันให้คนอื่นก็ได้บอกคนอื่นบอกวิธีทําบุญให้กับคนอื่นว่าทําบุญแล้วจะได้อะไรอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการทําบุญอีกอย่างหนึ่งได้บุญอีกอย่างหการแบ่งปันบุญห้าอย่างใช่ไหมแล้วก็การคิดบุญเอาบุญทําทางสายบาสเสร็จคุณก็ทิศกดน้ำไปนี่ก็ได้บุญอย่างนั้นก็อหกอย่างบุญที่เจ็ดก็คือนุโมทนาบุญเวลาใครเขาทาบุญก็เป็น ทอดกฐินเราก้็นุโมทนาด้วยการแสดงความชื่นชมอยู่ดีก็ได้เราจะร่วมบุญด้วยก็ได้ น, นี่ก็เป็นการแสดงนุโมทนาเพื่อจะทําทให้เราเกิดความสุขใจไปกับเขาด้วยก็ทําบุญได้ความสุขใจเราก็ยินดีไปกับเขาเราก็ได้ความสุขใจนับบุญใงวิธีหนึ่งก็คือการทําตนหนึ่งให้เป็นผู้อ่อนน้อมถออ่อม เราเป็นคนอ่อนน้นอมถ่อมตนที่เราจะเข้ากับคนทุกคนได้เราจะไม่มีปัญหากับใครนะเราจะมีความสุขกับทุกคนอยู่กับใครก็ได้แล้วอีกข้อห น, นึ่งก็คือบุญนี้กิจากการรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อ่อนบางทีเราไม่มีเงินมีทองแต่เรามีเวลาว่างมีร่างการที่แข็งแรงเราก็ไปทําอาสาสมัครทํางานต่างๆให้กับสังคมเช่นเป็นอาสาสมัคร เกี่ยวกับองค์กรการกุศลต่างๆก็ได้ไปช่วยเก็บศพไปอะไรหรือเวลามีภัยต่างๆก็ไปช่วยกันขนข้าวขอของไปแจกให้คนที่ก็ยังประสบภัยต่างๆโดยที่เราไม่เรียกค่าตอบแทนอันนี้ก็เป็นการทําบุญเช่นกันและบุสทันที่สุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องความเที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าบุญนี้มีจรงิงบาปมีจรงิงทำรุ่งเรืจะมีความสุขใจไปสวรรค์ ทำบาปแล้วจะมีความทุกข์ใจไปนอกนี้อันนี้ก็เป็นเป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะมันจะทําให้เราไม่ไปทําบาปมันจะทําให้เราไปทําบุญอย่างเดียวน <Okay. S 1> คนที่ยังมีความเป็นระดับนี้มักจะต้องเป็นพระอริยบุคคลขึ้นไปเ <Okay. S 1> ช่นาชาติก่อนเนพระโสะดาบันเมื่อการชาตินี้ก็กลับมาเกิดหมาพระโสะดาบันนี้ก็จะมีความเชื่อห น, นุนไอยู่ในใจเชื่อเรื่องบุลย์เรื่องบาปร้อซ เกีก่อกบรรมคือบุญชนิดต่างๆสิบชนิดด้วยกันคุณมณีนุชครับเมื่อมีคนมาเรียร์ไรและเราสงสัยในการทําบุญนั้นเลยไม่ทําไปแต่เราก็มารู้สึกไม่สบายใจนะักแบบนี้เป็นอกุศลหรือเปล่าคะเป็นถ้าเราไม่สบายใจก็เกิดจากอกุศลแต่ไม่ใช่เกิดจากอกุศลที่เราไม่ได้ทำไป อาจจะก็เราจะเอาส่วนว่าเราอยากจะทําแต่เราไม่ไม่มั่นใจเราเลยไม่ทำํำมันก็เลยทําให้เราไม่สบายใจก็เราถ้าเราอยากจะทำํำเราก็ไปทําที่เรามั่นใจแทนก็ได้ครับเพื่อป้องกันหนึ่งไม่ให้เขามาหลอกเราเพื่อเพื่อไม่เป็นการสนับสนุนพวกมิจฉาชีพทํางหลาย คุณมาริสาครับรักและศรัทธาในตถาคตรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาหรือการยกมือท่วมหัวกล่าวสาธุโดยไม่จําเป็นต้องไปสร้างานะาศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่หรือบริจาคทานเปน็นจำนวนมากก็ได้บุญเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ารักษาศีลก็ได้บุญที่เกิดจากการรักษาศีลถ้าภาวนาก็ได้บุญที่เกิดจากการภาวนาแต่จะไม่ได้บุญจากการศีลสละแบบนั้นถ้าเราไม่ได้ทํา ถาเกิดพน้นหน้าชางหน้ากับมาเกิดเราก็จะไม่รวยกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้เพรเราไม่ได้เเงินไปฝากในธนาคารบุญนะครชาหน้าเราก็ไม่สามารถไปเบิดเงินในที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญได้คุณพีโ ก, โกครับเรียนถามครับธาตุเดินน้ำลมไฟวิญ ญ, ญาณธาตุเป็นอนัตตาไหมครับมันไม่มีตัวตนสิ่งเหล่านี้มันไม่มีตัวตนว่า น้ำมีมีตัวตนไหมดินมีตัวตนนหองมีตัวตนไหมไฟมีตัวตนไหวิญญาณตัวท่านรู้นี้ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่ความหลงมันไปสร้างความเข้าใจผิดให้คิดว่าท่านรู้นี้เป็นมีตัวมีตนมีเรามีอัตตาตัวตนอย่างในท่านรู้แล้วเมื่อมีอัตตาตัวตนเมื่อท่านรู้นี้ไปยึดคองอะไรก็ไปไปถือว่าของที่ยึดครองเป็นของเราเป็น มาได้ร่างกายก็ไปไปถือว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาเพราะเกิดจากความหลงที่มีอยู่ในธาตุรู้ในวิญญาณธาตุนี้ถ้ามาศึกษามาปฏิบัติจนได้เห็นว่าธาตุทั้งหกนี้ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติคุณพีซครับ ถ้าจเจริญสติด้วยการสวดอิติปิโสและนั่งสมาธิก็สวดอิติปิโสอีกจนจิตใจเบาสบายแบบนี้ใช้ได้ไหมคะหรือจะหรือจะทําให้จิตรวมได้ยากกว่าภาวนาพุโทโธครับก็ถ้าเราจิตสบายแล้วถ้าเราอยากจะให้มันสงบมากกว่านี้ล้วอาจจะต้องดูลมาหายใจเข้าออกหรือใช้พุทโธอย่างเดียวคําอะไรครับคร ำ, ำเดียวจริงๆทำให้จิตรวมเป็นสัพตะวัรุได้หรือดั้หรือตัออตดัตตวรุอยู่เพราะตามลำพันธ์ สงบเล่นแม่นตกแต่งอะไรการภาวนามันก็มีหลายระดับด้วยกันการสวดนี่ก็เป็นระดับต้นๆแต่จะไม่นําไปสู่ความสงบที่เต็มที่เน้นสงบอย่างเต็มที่เน้นสงบยากอย่างเต็มที่ต้องใช้คําบริกรรม พ, พุโทโธนะใช้การดูร่างายจ่ายข้อคุณมาริษาครับ คนบางคนในยุคสมัยนี้ถูกกิเลส ข, ของความอยากได้ครอบงมจิตใจมากรู้จักแต่กอบโกยแต่ไม่รู้จักการให้หรือการเสียสละอยากขอให้พระอาจารย์ให้อวัตธรรมสักข้อเจ้าค่ะก็ตายไปเอาอะไปไปได้ถ้าเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปทำบุญนะเอาบุญไปได้ถ้าเราไม่ทำบุญะไรตายไปเราจะไม่ได้ไปไปสวรรค์ถ้าเราไปทำบาด้วยจากการที่เราโลภเขา หาเงินด้วยวิธีหลอกลวงชอบโกงนี้เราก็จะไปเป็นเปรตให้คิดอย่างนี้ให้เราเชื่อเชื่อเรื่องเรื่องผลบุญผลบาป ท, ที่จะตามมาหลังจากที่เราตายกันนะแต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่รู้จักก็เป็นพวกบัวบัวที่อยู่บัวเหล่าที่สี่พวกนี้สอนไม่ได้เขาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเลยไปสอนก็ได้ไงเขาไม่เชื่อว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วมีดวงวิญญาณที่ไม่ได้ ที่เราไม่รับผมบุญบุญบา ม, นมันเป็นเทพหรือไปเป็นเปรตถ้าเขาไม่เที่อวร็ไม่สอนอยังไงครับคุณสมพรครับโยมค่อนข้างเป็นคนที่เห็นแก่ตัวในความหมายของการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตเลยคล้ายๆว่าต้องสู้ชีวิตทุกอย่างทําด้วยมือตัวเองจึงออกจากแข็งและอาจดูว่าเห็นแก่ตัวอันเนื่องมาจากต้องสู้ชีวิตต้องใช้หลักธรรมข้อใดดีครับ อ๋อถ้าสู้ชีวิตด้วยตัวเราเองเนี่ยว่าตายเหงาตะโนนนาโถะอ่าไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวทุกคนต้องเห็นแก่ตัวในเรื่องของการดํารงชีพไม่ให้ไปวังเพิ่มคนอื่นใช่ไหมคุณหมอว่าถ้าทําะารกินเลี้ยงขีพของคุณร้อเองนอกจากว่าตอนที่เราเป็นเด็กเรายังไม่สามารถพึ่งตนเองได้เราก็ต้องพึ่งเวลาม า, นานรดาเลี้ยงดูเราไปก่อนพอเราจะเริ่เติบโตขึ้นมาสามารถ ทำมาเก่งเลี้ยีพของเราไดนเราก็ต้องเี้ตัวของเราเองอย่าไปวางเพิ่มความเหนื่อันนี้เป็นหลักธรรมที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งเสยียหาเป็นทําที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเราได้ดีแล้วเราเราเราได้ดิได้ดีเราเล่าเงยขึ้นมามีเงินทำเหลือใช้เหลือกินใช้แล้วเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไปไม่ได้ถ้เาเรายังหงอยู่เนี้ยถึงจะเรียกว่าเห็นแก่ตัว ผมซับเนี่ยอันนี้จะเก็บไว้ให้ดอกตัวเราคนเดียวไม่ให้ใครเลยถ้าแบบนี้ถึงยังเรียกว่าเรา ม, มีการเห็นแก่ตัวถ้าไม่อยากจะเห็นแก่ตัวก็ต้องเอาทรัพย์ส่วนเกินนี้ไปบริจาคไปให้คนอื่นบ้างแบ่ง ป, ปันให้คนอื่นให้เขามีให้เขามีความสุขช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ให้กับเขาบ้างถึงจะไม่เห็นแก่ตัวเพราะเราเห็นแก่ผู้อื่นทีนี้เราต้องเห็นแก่ผู้อื่น ในเมื่อเบื้องต้นเราต้องเห็นกับตัวเราต้องดูแลตัวเราเองให้อยู่ได้เมื่อเราอยู่ได้แล้วเราไม่ส่วนเกินอันนี้แหละถ้าเราไม่เอาไปแบกปันแสดงว่าเรายังเห็นกับตัวอยู่อันนี้ถ้าเราไม่อยากจะเห็นกับตัวในส่วนนี้เราก็ต้องเอาส่วนเกินนี้ไปทําประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปให้กับผู้ คุณเอสครับขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าพ่อชอบดื่มเหล้าบางทีดื่มจนขาดสติแล้วชอบเมาแล้วขับหนูกลัวว่าแกจะเกิดอุบัติเหตุหรือไปชนคนอื่นแต่บอกแล้วก็ไม่ฟังหนูรู้สึกทุกข์กับการเป็นกังวลเป็นห่วงควรทำอย่างไรดีครับปรต้องทําใจนะเพราะว่าพูดธเราพ้อหน้าที่ของเรานะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเขาไปเขาทากรรมว่าเขาจะต้องรับผลของกรรมนั้นไป คุณสมพรครับคนที่ร่ำรวยในทางธรรมในทางพระพุทธศาสนาควรมีลักษณะอย่างไรครับก็อย่า ง, งน้องั่้เนี่ยน้องโบ้เท้าน้องตาตาวเนี่ยนันจะเป็นคนที่ไม่ตนหนีไม่มีไม่มีความโลภในเรื่องโลกธรรมทั้งสี่ลาบยศธรรมและสนสุขจะเป็นทุกข์สงบกายวาจาใจมีความสุขตลอดเวลาเคยเห็นท่านหน้าตาท่านเศร้าหมองครูบาอาจารย์แต่ละรูป นมีแต่ยิ้มแย้ยมจับใจตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่ท่านยากจนจะตายนเะมื่อเปรียบเทียบกับพวกเราในในเรื่องารานด้าสารสนสนุขนี้ท่านไม่มีเลยแนมะ้แต่นิดเดียวแต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีาราด้าน ส, สรสนสน์สุขตัวเยอะแยะการมีราบด้านสารสนสน์สุขนี้มมลกลับทําให้เราเครียดเครียดกันมากกว่าใช่ไหมยิ่มีมากยิ่งเครียดมากเพราะกังวลเพราะหัวเพราะกลัวกลั ว, ว, กกวที่จะเสือ่อมจะเสียมไป นี่คือลักษณะของผู้ที่มีผู้ที่ร่ำรวยในทางธรรมเสรษฐีในทางธรรมมาเสียดสีที่แท้จริงจะเป็นคนยากจนในทางโลกจะไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของหนึ่งเท่าจะไม่มีรถเฟอร์รารี่รถลัมโบเกนี่ให้ขับไม่มีคอนโดสองร้อยล้านให้อยู่จะอยู่ก็ต้อนเล็กๆ ก, ก, กินข้าวมื้อเดียวกินจากอาหารที่ไปขอเข้ามาไปเป็นตะบะทำบุตรกับเสื้อผ้าก็มีแค่ชุดเดียว บางทีก็เปนเชือกผ้าผ้าจีวอนที่ขาดปะแล้วปะอีกก็มีนี่แหละคือเศรษฐีทางธรรมทางโลกนี่จะเป็นเหมือนขอทานจะเป็นคนยากคนจนทางธรรมในใจของท่านนี่ท่านเต็มเปลี่ยนไปด้วยบารมีศุกนิปานังบาลังศุขริปขันความศุขที่เหนือกว่าความศุกริปทางปวงนี่ลักษณะของผู้ที่มีความร่ำรวยในทางธรรม มาเศรษฐีที่แท้จริงเราไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดูที่คุณส์บอกเอาเป็นเอามาอ่านเล่มแรกใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ยังมีผมยังบอกกับคนเรื่อยเลยครับอาจารย์ว่าเศรษฐีที่จริงๆที่ผมเห็นจริงๆก็ตัวเป็นๆคือพระอาจารย์ครับที่รวยที่สุดตั้าที่ผมเคยเห็นมากครับ <laughs> ไม่เคยเห็นใครรวยกว่าเลยครับอาจานย์ <laughs> คุณสามารถใช้ยกยอบแบบไม่จริงว่าผมจะไปไปเวลาไปนอนโรงแรมไปเห็นเศรษฐีเขาแบบเป็นเจ้าของอะไรเดินผ่านเนี้ยครับอาจารย์ผมก็จะมองเขาแล้วก็รู้สึกโอ้สุภาพจัดเราไม่ได้ล้อจย์เรามีความลำบวยกว่าเยอะเลยครับอาจารย์แล้วก็พูดพูดกับทุกคนอย่างนี้จริงๆครับอาจารย์ครับแล้วเขารู้สึกผมเป็นงานจริงๆนะครับอาจารย์ คุณศาสหายาครับทำอย่างไรจะว่างจากความคิดได้คะแล้วทำอย่างไรจะว่างจากความคิดพุดทธโธได้คะพุทธโธก็ไม่ใช่ว่างรู้ก็ไม่ใช่ว่างกราบขอบพระคุณครับาการจะทำให้ใจหยุดคิดได้ต้องใช้พุทธโธพุทธโธที่เป็นเป็นห น, นตัวที่จะมาเบรกความคิด ต, ต่างๆของเราได้พอเราหยุดความคิดต่ตางๆได้พุทธโธมันก็จะหยุดไปเองโดยอัตโนมัตินี่กับเวลาที่เราใช้เบรค่อนยน เป็นรถรถยุ่งเราต้องเหยียบเบรคถ้าเราต้องการให้มันหยุดใช่ไหมพอรถหยุดนั้นเราก็ปล่อยไปได้ันนี้ก็เหมือนกันจิตใจเรายังคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้อยู่เราต้องใช้พุนโธวารกรรมไปเรื่อยพุทโธพุทโธไปจนกั่ า, กกามันจะหยุดกึ๊บขึ้นมามันรู้สึกแปลกะทันว่อยู่ดีๆความคิดหายไปไหนหมดเอามันหายไปหมดแล้วเราก็หยุดพุดโทโธได้นะครัมตอนนี้คุณวันดีครับ เวลาทําบุญเราควรอธิษฐานอย่างไรคะหลังทําบุญเสร็จปกติจะอุทิศบุญตอนทําบุญคะเอถ้าอธิษฐานเป็นการขอนี้ไม่ต้องขอหรอกเพราะมันมันได้โดยอัตโนมัติแล้วถ้าเราไปขอในสิ่งที่เราไม่ได้อัตโนมัติก็ไม่ได้ใช่เราทําทานทําบุญทำทานก็อย่างที่บอกแล้วอันนี้สมที่จะได้ก็คือจะได้ชำระใจชำระความตนดีความเห็นกับตัวความโลภเราจะทําให้ใจเราสุขใจเราสบาย ตายไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์ชั้นเทพกลับมาเกิดเราก็จะนับรวยมีเงินทงนองรอเราอยู่มากน้อยก็อยู่ที่บุญที่เราทำทามากก็จะมีเงินทงนองรอเราอยู่มากทาน้อยก็จะมีเงินทงนองรอเราอยู่น้อยนี่ก็สิ่งเราจะได้ไม่ว่าเราญาติฐานหรือแม่ที่ฐานก็ตามมันเป็นอัตโนมัติเหมือนเหมือนการรับประทานอาหารไม่ต้องรับไม่ต้องรับที่ฐานว่าเขาให้อีก ทำได้แน่ๆแต่ถ้าอยากกินข้าวแล้วอยากจะให้รวยเนี่ยขออย่างไรก็ไม่รวยเพราะการกินข้าวนี่มันไม่ได้ทําให้เราเลยการทําบุญก็ไม่ได้ทําให้เรารวยไม่ให่เราจะเจริญในราบยศสารเ ส, รสรน้นสไกัยัดไม่ําองไปอธิษฐานให้เสียเวลารเราต้องศึกษานไงว่าเราทํานี่แล้วเราจะได้อะไรเราไม่ศึกษากันเราเชื่อกันมาแบบ โมเมนตแล้วเชื่อกันมาแบบมองงน ม, มันทำมุมงเนาะชีวิตจะดีขึ้นสามีจะรัเรามากขึ้นโรกก็จะเป็นเด็กที่ไม่เดือดร้าอันนี้เป็นเรื่องเรื่องมงงานนั้นไม่ใช่เป็นความคิดแต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลคนจะพูดตามนี้น่าเสียน่าเสียดายเนาะไม่เคยศึกษาเรื่องคําสอนเลยเอาแต่ฟังกันมาแล้วก็เชื่อกันมาท่านนีเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาเลยว่า การทำบุญสิทชนิดมีอะไรบ้างมงคลสามสิบแปดมีอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะรู้นเป็นความรู้ขันข้นพื้นฐานนะคไม่มากมายกายกองเลยบุญสิทชนิดมงคลสามสิบแปดก็ไม่ศึกษากันเลยก็เลยไม่รู้เรื่องทั้งท่านที่เป็นชาวพุทธแทแ้ๆยังไม่รู้เรื่องของการเป็นพุทธว่าเป็นอย่างไรครน่าเสียดายถูกสังคมถูกกระแสของทางโลกอยู่เปหม อยจะได้รับยุทสเสริญสริญ ก, ก็เลยมุ่งไปทางการศึกษาทั้งโลกกันทั้งหมดสิบแปดปีด้วยกันสิบสิบหกปีด้วยกันก่อจะได้ปริญญาถ้ามาศึกษาทางธรรมนี้สามเดือนก็ได้แล้วในความรู้ทางธรรมไ ม, ไม่ต้องไปศึกษาถึงสิบหกปีหนักสือทางธรรตีนี่เรียนในภาษาสามสามสามเดือนก็ได้ละในความรู้พื้นฐานของพุทธศาสน า, าว่าเป็นเป็นวิชาที่จะเอามาใช้ในการ ปฏิบัติทำบุญต่างๆได้แล้วแต่เราไม่เคยเลยโรงเรียนอั้นี้ก็ไม่ทําหน้าที่นี้แล้วเมื่อสมัยก่อนตอนสมัยที่เราเป็นเด็กๆโรงเรียนก็ยังมีการสอนวิชาศิลธรรมสอนวิชสอนพุทธประวัติอยู่สอนวิชความความรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนาอยู่อยุคนี้ไม่มีแล้วเป็นยุคมงืบบ่บอด์ททางศิลธรรมทางจริยธรรม คนจะเริ่มกลายเป็นเป็นเป็นคนที่ไม่มีจริยธรรมไม่มีศีลธรรมคนที่ไม่มีจริยธรรมศีลธรรมแล้วส่วนมากก็จะเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานเองคนนู้นเราตอนจะเรียนแบบสัตว์เดรัจฉานกันอยากจะทําอะไรเสรีใช่ไหม <c oughs> ลมเพนเสรีอตัวเพนีเสรีเหนื่อสุญายามาเสรีอันนี้เป็นอบายงุงทั้งนั้นเลย เป็นการถึงเกณฑ์ลงตัดลงสู่่ระดับของเดละชันไม่มีใครกล้าพูดไม่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครศึกษากันคิดว่าเป็นของดีเสรีทําในตามเสรีก็คือเสรีตามกิเลสตามใจชอบของกิเลสเสรีด้วยการแก้ตัวเสรีด้วยการคว้าเอาคว้าเอ า, า, เอาต้องการอะไก็คว้าเอาโดยไม่ไม่กํานงถึงผลที่จะกระทบกับผู้ เาจะเดร้นอนเสียายอย่างไรเขลยขอให้เราได้อย่างที่เราต้องการอันนี้เลยถ่าไปไหนก็ให้อภัยด้วยอ๋อครับดีนะครับอาจารย์ให้สติพวกเราบ้างครับคุณประชาครับไม่อยากจองเวรแต่เมื่อมีคนทำเรื่องไม่ถูกไม่ดีใส่ก็จะโมโ oh. หสู้คนไม่กลัวใครจะเอาคืนพร้อมชนทุกเรื่องความคิดหลักในหัวคือสู้คนไม่ยอมใคร จริงๆความคิดที่ถูกต้องควรสู้อะไรไม่ยอมอะไรครับต้องสู้อิเล็กของเราใช่ชื่อความอยากที่จเอาเอาแพ้นชนะพูดอันนี้การชนะพูดพระพุทธเจ้าบอกว่าพอให้ชนะน้อยครั้งผันครั้งนึ่งเหมือนครั้งก็สู้ชนะตนเองไม่ได้สู้ชนะกิเลสกของเราที่ที่อยากจะไปแก้แค้แนเขาหรืออยากจะไปทำรายเขาไม่ได้ถ้าเราชนะตอนนี้ เพราเราชนะต่งนี้แล้วมันจะทําให้เรามีความสงบมีความสุขและจะไม่มีเมรัยมีกับกับใครถ้าเราไปชนะผู้เราก็จะไปสร้างเมสร้างกับตอบผู้ถ้าเราแพ้เขาเราก็จะกดแข้งอาฆาตพยาบาทเขาต่อไปจะเป็นการสร้างเมรัยสร้างกับกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดอย่างถ้าเราเอาชนะความความอยากที่จะรานแคงเขาอยากที่จะทําร้ายเขาได้ แใจเราก็จะสงบเย็นแล้วเราก็ไม่ไปสร้างเวรสร้างกับมเขาก็จะไม่มีเมนกรกับเราการชนะตนการชนะตนเป็นการชนะที่แท้จริงการชนะพูดนีม่เป็นการแพ้ไม่ใช่เป็นการชนะคุณประชาครับถ้าตั้งใจถือศีลแปดแล้วไม่ควรไปสถานเรืองรมแต่การฟังเพลงดูละครดูคลิปตลกได้ก็ผิดศีลหรือบกพร่องศีลข้อเจ็ดไหมครับ ไม่ให้ดูเรื่องราวบันเทิงเรื่องของการบันเทิงต่ๆความสนุกสนาน A H A เฮฮาอะไรต่างๆนี่เราต้องการเอาเวลาที่เป็นดูของเรานี้มาอยู่ธรรมะถ้าเราถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะก็มาเปิดธรรมะฟังเรืออ่านหนังสือธรรมะดูธรรมะหรือถ้าเรามีธรรมะนะเรารู้ว่ า, าอะไรบ้างปฏิบัติสตินั่งสมาธิเราก็เอาเวลานี้ไปปฏิบัติสตินั่งสมาธิจะได้ประโยชน คุณสมพรครับการสวดมนต์นั่งสมาธิได้อะไรกับผู้ปฏิบัติครับได้ความสงบไดนสติสติก็จะทําให้ใจสงบความสงบนี้ก็เป็ความสเป็นบุญที่เหนือกว่าความสุขทั้งพวกเป็นบุญที่เหนือกว่าบุญทั้งหลายทั้งปวงเป็นบุญที่กระจายความสงครับคุณประชาครับ ความเท่าเทียมกันความเสมอภาคกันความมีเสรีภาพทางพระพุทธศาสนามีแนวคิดที่ถูกอย่างไรครับทางศาสนาพูดไม่ได้มีความคิดว่าทุกคนเสมอภาคกันในทุกสิ่งทุกอย่างบางอย่างก็มีความเสรีภาพกันบางอย่างก็ไม่มีความเสรีภาพไม่มีความเท่าเทียมกันอะไรที่เป็นสิ่งที่เท่าเทียมกันคือร่างกายนี้มีความเท่าเทียมกันทุกคนมีร่างกายทุกคนมีเศษ เสถีรภาพในการที่จะหาปัจจัยสี่เพื่อมาเล่งดูร่างกายอันนี้มีสเสถียรภาพเท่ากันแต่ความรู้ความสามารถของจิตใจของแต่ละคนนี่ไม่เท่ากันคนบางคนมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถมากมีความประยัดหนักเพียงมากบางคนมีความเกลีดค้านมากมีความโลภเขาบอบปัญญามากตอนนี้ไม่เสมอภาคกันเพราะสิ่งเหลนี้เป็นสิ่งที่เกิดจาก การกระทำของใจในแต่ละภพแต่ลาชาติว่าทําไปเพื่อพัฒนาจิตใจหรือทำไปเพื่อเน้นไห้จิตใจตน้ำตังเงินสี่ลธรรมนี้ก็ไม่เท่าเทียมกันจริยธรรมนี้จิตใจของแต่ละคนนี้ได้รับการพัฒนามามากน้อยไม่เท่ากันยิ่งการที่จะมาบังคับให้ทุกคนนี้เหมือนกันเท่ากันนี้เป็นไปไม่ได้ในเรื่องของร่างกายในเรื่องของสิทธิ ท, ที่ยั ม, มีมีปัจจัยสี่ยเรื่องการนําังเช่นนี้ ต้องต้องมีความเท่าเทียมกันอย่างไรต้องมีพอเพียงแล้นก็ต้องอยู่ในกรอบของศีลและธรรมเวลาที่เราหาสิ่งต่างๆมาเพื่อมารักษาชีวิตของเราเราก็ต้องไม่กระทําให้เกิดความเสียหายเดือด้านแก่ผู้อื่นเราต้องมีศีลและธรรมศีลและธรรมที่ต้องริต้องมีความเท่าเทียมกันทุกคนควรจะมีศี่ห้าถ้าเราอยากจะอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข คุณลิลครับพระอาจารย์ครับคว่าขอให้รวยให้รวยหนูมองว่าส่งเสริมกิเลสหนูคิดว่าขอให้แก้ไขปัญญาปัญหาได้รวดเร็วหนูไม่กล้าอวยพรที่ไปส่งเสริมกิเลสค่ะมีแต่ขอให้เจอสุขถาวรเจ้าค่ะคือเราอย่าเราก็อย่าไปเป็นเทนตรงมากกันไปบางที่เราอยู่ในสังคมของคนหลงบางทีเราก็ต้องอย่าไปขัดใจเขาเป็นธรรมเนียมที่จะให้พรกับการให้เข้าไปขอให้ร่ำให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ยืนยาวนาน อยู่เกินร้อยปีเนี่ยเราพูดทุกวันกับญาติชมโอปอล์เราภาษาทูาษาทุกันทั้นั้นแล้ก็ยังร่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราบอกว่าขอให้อยู่ตายตามหลักกฎแห่งกรรตามหลักตายเราจะไม่ยอมฟังเราจะทำให้เขาเสียใจเขาเศร้าใจขึ้นมาทันทีเพราะใจเขายังไม่เข้าสึงขั้นขั้นของ ข, ขั้นของปัญญาก็ยังถูกอำนาจของความร่วมหลงครอบ ทำให้เขานี่หลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเขาเมื่อร่างกายเป็นตัวเขาเขก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไป น, นานๆไม่เจ็บไายไม้ป่วย น, นี่ถ้าเราบอกว่ า, วาโยมมันธรรมดาแล้วร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าจะมาขอพอรจากพระก็เลยไม่อยากจะมาขอแล้วตอบเนั่นบางทีเราต้องเขา้าอยู่เมืองเดียวว่าต้องเหลียวตาตางไปทำไม่ผิดมไม่ผิดศีลธรรม มันไม่ได้เป็นการหลอกลวงมันเป็นการให้ความปรารถนาดีเป็นการส่งความปรารถนาดีถ้งเราทําได้มันขอให้คุณนี่ร่ํารวยนี้ขอได้ใช่ไหมอาจะได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่ง ม, ม, มันไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ว่าเราเรารู้ว่าเขายังไงก็ไม่รวยแล้วเราไปห ว, วั่นเข้ารวยก็ไม่ก็ไม่เชิ่เพราก็อาจจะร่ํารวยขึน้นมาก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าการให้กําลังใจเขาที่อาจจะทําให้เขามีกําลังใจที่จะขยันทํามากิน เพื่อที่เขาจะได้นยขึ้นมาได้ไมงอยา่างนั้นอย่าไปเป็นเท็จตรงเกินไปบางทีถ้าเราอยู่ในขั้นปัญญาแล้วมองดูคนที่เขาฟังเราว่าเขาอยู่ในขั้นปัญญาแล้วแบบเดียวกับเราหรือปั่าถ้าก็ยังไม่ได้อยู่ในขั้นนะั้นพูดไปแล้วทำให้เขาบหบถูใจแล้วก็อยากไปพูด แต่แต่กับบางคนพระอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วนะอะไรประมาณนี้เขาอยู่ในขั้นปัญญาแล้วก็หบอกเขาได้เตนสติเขาได้บางทีเขาเผลอก็เลยมันงทีถึงไม่ลืมในขั้นปัญญาแต่บางทีเก็เผลอทุดกิเลสมาครอบนำได้มาช่วมาเลยะก็ต้องให้ให้กําลังใจด้วยการให้ให้ปัญญาสองขั้นไปสำรมจทิศจิตที่แล้ก็ต้องดูว่าคนที่เขาจะรับนี่เขารับอะไรได้ มันจะจะให้ตะพุตตะเพืองให้แต่ปัญญาอย่างเดียวมันจีเารับไม่ได้เขาต้องให้อย่างอื่นแทนนะครับให้ทำใจคุณมาริสาครับมีหลายคนบอกว่าการทําบุญทําทานเป็นการสิ้นเปลืองมีอคติกับคนที่ชอบทําบุญว่าไม่ประหยัดพระอาจารย์คิดว่าบุคคลชนิดนี้เขาเป็นคนแบบไหนเจ้าคะบางสิ้นมันสิ้นเปลืองนี่นะการทําบุญที่ก็เอาไปทําประโยชน์คนดีได้รับเหงินนี่เขา จะได้เอาไปบรรเทาทุกข์เช่นให้ทุการศึกษากําเน็กนักเรียนที่ไม่มีเงานไปเรียนหนังสือนี่มันมันชิ้นเลองมากปมันชิ้นเปลืองตรงไหนทำใหเด็กที่ได้โอกาสที่ไม่มีถ้าไม่ได้ไม่ได้รับการสนับสนุนนี่ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนหนังสืออย่างนี้เราสนับสนุนเขาให้ได้เรามีโอกาสไปเรียนหนังสือมันสิ้นเปล่องตรงไหนครมันจะพูดหาเรื่องมันก็พูดได้ร้อยแปดอันประการ เอาอะไรไปดื่มเล่าที่ไม่บอกวสิ้นเปลือกอันนั้นหละสิ้นเปลืจริงๆครับเอาอะไรไปเที่ยวโสเภณีเรื่องของการสิ้นเปลือกเนี่ยไม่มาพูดอันนี้ไม่ดีไปเอาเชื้อโลกเข้ามาด้วยเไปเที่ยวโสเภณีนี้ไม่ดีก็ไปติดเอชไอวีเข้ามาไปดืบมโซลานก็ไปติดพิษโซลานื่อ็หลักขึ้นมาไปซื้อบุหรี่นัดสุดก็ทําให้เกิดปอดเกิดปัญหาโลกปอดขึ้นมาเป็นมะเร็งขึ้นมาอันนี้แหละการสิ้นเปลือกมันไม่พูดถึงกัน แต่พอการทรําบุญที่ทําให้เกิดสาธารณประโยชน์ทาให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นนี่กับการเป็นเรื่องของการซึ่งเปลืองไปเนี่ยพวกตันหีก็าจะคิดอย่างนี้พวกหลวงเศร้าคงตัเองแต่เวลาเวลาเอาไปใช้ให้กับตนเองนี่เท่าไหรเท่ากันนะซื้อารถซาลารี่ยี่สิบล้านสามสิบล้านซื้อมาเลยไม่ชื้นเปลื่อนหรอกแต่พอไป ท, ทําบุญช่างมานหนึงโอเสียดายเงินขึ้นมาทันที คุณสมพรครับคนที่เกิดมาชาตินี้มีความร่ำรวยแสดงว่าแต่ปางก่อนก็ทําบุญมาเยอะบุญแต่ปางก่อนจึงส่งผลให้ถึงปัจจุบันทำให้เขาร่ำรวยเข้าใจอย่างนี้พอจะถูกต้องทางธรรมหรือเปล่าครับก็เป็นเหตุหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นเหตุอย่างเดียวการร่ำรวยนี่ร่ารวยได้หลายอย่างความปยันหมั่นเพียรความฉลาดร่ำรู้ก็ทําให้ร่ำรวยได้บางคนเกิดมายากจนมาอพยพมาอยู่เมืองไทยม้อนใบเสือใบเห็นไหม แต่มีความขยันทํางานหากินมีปัญญาฉลาดรู้วิธีว่าจะทํำอะไรแล้วทําให้เกิดรายได้ขึ้นเขาก็ขยันทำข ย, นขยันเก็บเขาไม่ขยันใช้พวกนี้เขาทํางานตลอดทั้งปีปีหนึ่งก็หยุดแค่ช่วงปีใหม่ของเขาเท่า น, น, น, น, นั้นเองสามสี่วันนอกนั้นก็ทํางานทั้งปีก็ไม่มีเวลาที่จะเอาเอาเวลาไปใช้เหนใช้ทองมีแต่หาเงินหาทองตลอดเวลาเขาก็เลยกลายเป็นเจ้าสัวขึ้นมาเป็นม า, าเศรษฐีอันดับหนึ่ง นดมหาเศรษฐีอันดับต่างๆและอันดับต้ น, ต น, ตนๆในเมืองไทยนี้เป็นคนทั่วมาจากประเทศอื่นเท่านั้นม า, มาเพื่ออาสัยบา ร, รมีของของประเทศนี้ทำมาหากินในประเทศนี้จนกระทั่งร่ํารวยขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาเลยเรามาดูประวัติส่วนใหญ่ก็เป็นชาวชาวจีนเนทะ่านั้นชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในเมืไทยพราะเขามีความปขยันเขามีเขามีปัญญาเขารู้จักคิน เห็นช่องทางของการทำมาหากินว่าทำแล้วมันจะทําให้เขาเริ่มรยขึ้นนี่ก็รวยขึ้นเหมดอนกันไม่จําเป็นจะต้องอาศัยบุญเก่าพวกบุญเก่าคือพวกที่มาเกิดเป็นโรกเศรษฐีเนี่ยเป็นพวกใส่พวกบุญเกมาการรูปทองเงินทองคุณเป๊ปครับหากเคยทําผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งอยากทราบว่าคุณทําบุญอย่างไรเพื่อหนีกรรมในการผิดศีลแต่ละข้อครับ นี่ไม่ได้หรอกมันไปทําไปป้อนเขวแล้วเนี่ยจะไปทํำยังไงไม่ให้ไปติดคุกติดตารางไม่ได้หรอกแม้อำนึงไปคืนเขาแล้วเขาก็ยังเขายังจะจับไปลงโทษได้อันนี้ก็เหมือนกดแทงกรรมมุ่งเหมือนกันทำกรรมแล้วถ้ามันมีน้ําหนักพอที่จะบายให้ส่งให้เราไปอบายได้มันก็จะส่งให้เราไปอภัยแก้ไม่ได้กรรมเก่าที่เราทําไปแล้วแก้ไม่ได้แต่เราสามารถป้องกาันกรรมใหม่ไมใ่ให้เกิดขึ้นได้ ด้วการมีอิรโอตปะมีสติคอยคอยดูการเคลือการกระทําของเราพอเราคิดที่จะทําบาปเราต้องรีบหยุดมนันทันทีใช้อิริโอตปะมาช่วยอิริคือความละอายบาปอตุตปะคือความกลัววิบากกรรมของบาปที่จะตามมาแต่ถ้าทำไปแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วเรากับย้อนกลับไปแก้มไม่ได้ เมื่ผลมันจะตามมาแล้วก็ต้องเรียกตรวจสอบผลของบาป ท, ที่เราทำไว้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการเลียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเรามีความตั้งใจทําบุญทําทานจะต้องพิจารณาอย่างไรคะว่าเป็นพระอริยสงฆ์ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบหรืออยู่ที่จิตความตั้งใจจะบริจาคทําทานขณะนั้นเจ้าค่ะถ้าเราทำงารทําทานเพื่อให้ใจใจรเราได้บุญ น, นี้ไม่จําเป็นจะต้องเลือกใครก็ได้ เลือกคนที่เราชอบทําน like. like. like. so ั้นเราอยากจะทํากับใครก็ทํากับคนนั้นก็ได้ถ้าเราอยากจะทํากับพ่อแม่เราก็ทําได้แล้วเราอยากจะตอบแทนคุณพ่อแม่เราก็ทำบุญาทานกับพ่อแม่ก็ได้เราอยากทําับใครก็ได้แล้วเราก็จะได้บุญอันนี้บุญที่เกิดจากการให้นี้ไม่ได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่การให้ของเราถ้าอยากจะได้มุญมากอยากได้บุญมาก็ต้องให้มากให้น้อยก็จะได้บุญ สิ่งที่เราได้ก็คือความสุขใจและเวลาการไปความสุขใจนี้ก็จะเป็นสวรรค์ทาให้โยมิญญาณเราเป็นโยมิญญาที่มีความสุขใจโยมิญญาณที่มีความสุขก็จะ อ, อยู่ในสุขคติก็คืออยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ไม่ว่าเราจะทําอบใครไม่ต้องไปเรื่องให้เสียเวลาเราชอบอย่ากอยากจะทําอบใครก็ทําไปนะครับแต่เราต้องไม่หวังผลตอบแทนจากคนที่เราทำด้วยไม่ทำนทํา ทำให้ได้ให้เาเราเาจะต้องทอําหันั่นให้เราอย่างนี้เป็นการซื้อขายใช่ไหมจ้างเข้ามามาทํางานที่บ้านทําความสะอาดแล้วเราให้ให้ให้ค่าจ้างเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้เป็นการทําบุญถ้าเป็นการทำบุญให้เอาไปโดวที่ไม่เรียองให้เข้ามาทําความสะอาดให้เขารับก็ให้เงินเข้ารับก็ให้เขากลับไปไม่ต้องทําความสะอาดอย่างนี้ถึงจะได้บุญแต่ถ้าอยากจะได้งานก็จะไม่ได้บุญ อยากใช้ก็ามาทำงานแล้วให้เงนเขาเขาก็ต้องทำงานให้เราอย่างนี้ก็จะไม่ได้คุณสุกัญญาครับฝากเงินน้องไปทําบุญที่วัดอยู่ๆเกิดความรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยโทรไปบอกน้องวันนี้ตอนเช้าเกิดความสบายใจน้องบอกตอนนั้นพระท่านกําลังให้พร อ, อยู่เป็นไปได้ไหมครับว่าความรู้สึกนั้นคือบุญที่เรากําลังได้รับครับไม่ใช่หรอกความไม่สบายใจเราเกิดจากอะไรแล้ว เราต้องวิากงานอย่างก่อนมันมีหลายเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจได้นี่ครับวิตกกังวลกับเศรษฐกิจการเงินการบ้านอะไรต่างๆนี่พอไปนึกถึงมันขึ้นมามันก็เกิดทําความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาได้วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่มันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราฝ้องกันเข้าไปทําบุญอะไรอย่างนี้เป็นคนละเรื่องกัน คุณโซราครับเราทําบุญแล้วสามารถแบ่งบุญให้คนอื่นได้ไหมคะเช่นทําบุญแล้วบอกกับแม่ว่าขอแบ่งบุญให้แม่แม่จะไดรับด้วยไหมคะคือการอุทิศบุญให้กันได้ค่ะผู้ที่ล่วงละไปแล้วเพรที่ผู้ที่ลงละไปแล้วเขาไม่สามารถทําบุญด้วยตัวเขาเองได้เขาต้องอาศัยบุญของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนคนที่มีชีวิตอยู่ถ้าอยากจะได้บุญควรไปทําเองจะได้บุญมากกว่า มัน จ, จะตอบว่าให้แบ่งบุญให้แม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ไม่สามารถตอบได้เพราะว่ามันไม่มีในตํานาเพียงแต่ว่าบุญที่เราจะแบ่งนั้นเราแบ่งให้กับผู้ที่เขาไม่สามารถทนนําบุญได้นะผู้ที่ตายไปแล้วส่วนผู้ที่อยู่นี้ถ้าเขาอยากจะได้บุญเขาควรจะทําเขาเองจะได้บุญมากกว่าบุญที่เราไห้ากเราคุณวีนาครับ การที่บางคนทําบุญแล้วกลับมายัางทุกข์ยังโกรธเกลียดผู้อื่นแปลว่าใจยังไม่ปล่อยวางใจยังไม่เมตตาใช่ไหมคะและการทําบุญนั้นจะได้บุญไหมคะมันคนละเรื่องกัน่ะเพราะความทุกข์อย่างที่บอกมันเกิดจากได้หลายสายเหตุเกิดจากความโกรธเวลาใครทำอะไรไม่ถูกใจเราแล้วก็โกรธกันแน่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกลียดผู้อื่นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราไปทําบุญการทําบุญที่เราไปทําบุญเพื่อชําระความตเนรความเห็นจัดตัวความ ความนความความใจแคบอะไรต่างๆนหล่านี้ถ้ายังพูดเป็นพูดคนละเรื่องกันมือเือจะตอบอยังไงคุณนิธิพักครับเกี่ยวกับการปฏิบัติค่ะถ้าหากนั่งสมาธิแล้วภาวนาใช้พุโทโธเพื่อให้จิตเป็นสมาธิในบางครั้งที่รู้ว่ากำลังหลงไปคิดจะภาวนาพุโทโธพุโทโธแบบเร็วๆไม่ขึ้นกับลมหายใจได้ไหมเจ้าคะ่ะ ได้บางทีไม่นควรจะใช้สออย่างควบคู่กันไปก็ได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจน่าจะสะดวกกว่าจะสะบายกว่าแต่ถ้าแต่ถ้าจะใช้สองอย่างก็ไน้าต่ถ้าใช้สองอย่างมันจะมันจะพูดโทรให้เร็วขึ้นมันมันก็ทําไม่ได้เพราะมันต้องผลไว้กับลมบนงช่วงที่เราคิดว่าเราต้องใช้พุทธัวให้เร็วขึ้นเราก็เทิ้ลงลมไปใช้พูดโทรอย่าง คำถามนี้คล้ายๆที่ถามไปแล้วแต่ไปอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ครับดื่มพ่อดื่มโซดาทุกวันบอกให้ท่านลดแล้วฝึกเข้าวัดแต่ดก้อมเฉยๆยังดื่มอยู่เหมือนเดิมกับผมควรทําใจอย่างไรครับควรซื้อไมในนใอใ่ให้ท่านเหนื่อยเยอะทำใจท่านให้ท่านมีความสบท่านจะได้ตายเร็วๆไม่จบเร็วๆคุณจะได้หายทุกข์หายกังวลนี่ตอบแบบประชดหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ความเป็นจริงเนี่คงไม่ทําอย่างนี้หรอกมันคงจะ ต้องยอมน้องกดสภาว่ามันเป็นความสุขของเขาอ่ะถ้าเรามีความสุขอย่างนี้แล้วใครมาห้ามเราไม่ให้เราเดืา่มชโลาเราจะเราจะยอมไหมอย่ามันเราคิดถึงโงอ้เขา้าโอ้เราบ้างสิถ้าเราเป็นพ่ออย่างเงี้ยแล้วเราเป็นความโกรธจากการดืร่มชโลาแล้วอยู่ดีๆจะให้เราหยุดดื่มชโลานี่เรารู้ไหมว่าท่านจะทุกทุกทรมารขนาดไหนเวลาที่ท่านขาดชโลาเวลาที่มันลงแรงเนี่ยครับ เั็นเราอย่าไปยุ่งกับชีวิตของท่านเลยมาปล่อยให้ท่านทําเรื่องของท่านไปปล่อยให้เป็นเรื่องของบุญกรรมของท่านไปพวนเราคัดทําใจไว้ที่เราอยากจะให้ท่านดื่มอยากจะยื่งไม่ให้ท่านดื่มเพราะเราอยากจะให้ท่านอยู่นานๆเพราะท่านไม่อยู่นานๆนั้นเราก็เลยมีความทุกข์ใจกลัวท่านจะตายเร็วอันนี้เป็นปัญหาของเรากลัวท่านจะตายเร็วตายจากการดื่มสุราหรือไม่อยากให้ท่านดื่ม เราคิว่าถาท่านทําตามที่เราบอกได้เราก็จะได้สบายใจนี่เราทําเพื่อด้วยความเห็นแก่ตัวเร า, เราทําเพื่อตัวเราเราไม่ได้ทำเพื่อตัวพ่อถ้าเราทําเพื่อตัวพ่อเราต้องปล่อยให้พ่อก็ทําไปตามความต้องการของเขาคุณมาริสาครับชาวตะวันตกที่ไม่ได้เข้าวัดทําบุญเหมือนกับชาวเอเชียแต่เขามีชีวิตที่จเจริญและสิวิไลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเพราะพวกเขามีบุญเก่าใช่ไหมครับอาจารย์ ก็อย่างที่บอกมันอาจจะมลินเก่าก็ได้อาจจะมีมีสติปัญญามีความขยันหมั่นเดียนในการทำบาปกินก็ได้มันก็ทําเข้าวล่าหวยได้คุณอุงุ่นเปรี้ยวครับการนั่งสมาธิคุณนั่งให้ได้นานที่สุดเพราะเหตุใดเจ้าคะเพราะว่ามันเป็นความสุขไงถ้าเราได้แบบผลนั่งเราก็ไม่อยากจะไปทําอย่างอื่นเรอยากจะนั่งสมาธิมันเร่มดูหนังนะมัเราอยจะดูเยอะๆดูนานๆนะ พราะมันเพลิงใช่ไหมมันมีความสุขใช่ไหมก็แบบเดียวกัน่ะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราได้ผลแล้วทีนี้เราก็อยากจะนั่งนานๆเพราะมันมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ได้จากการนั่งดูหนังดูฟังเพลงมันสุขมากกว่าถึงอยากจะนั่งนานๆถ้าเรานั่งได้ผลนะแตถ้าเรายังนั่งไม่ได้ผลเราก็ต้องพยายามบังคับให้นั่งไปให้มันได้ผลขึ้นมาให้ได้และการที่จะทาให้มันได้ผลก็เกิดจากการที่เราต้องนั่งนานๆ นั่งนานนั่งบ่อ ย, อยพอได้ผลแน้วที่นี้ก็อยากจะนั่งนานๆไปไเรื่อยๆตอนตอนก็ต้องบังคับกันก่อนคุณสมพรครับการเป็นครูที่ดีในทางพระพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างไรครับต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครูที่ดีก็คือผู้ที่กระทำโดยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะการสอนที่ ท, ที่ที่มีผลจริงๆก็เกย คือการกระทําของผู้สอนเองถ้าผู้สอนสอนให้ทําดีแต่ตัวเองทําไม่ดีมันก็จะไม่มีประสิท ธ, ธิภาพในการสั่งสอนเหมือนที่ก็มีคํำพูดว่าแม่ปูสอนลูกปู่แม่ปูให้ลูกปูเดินเฉยไปเฉยมาก็บอกลูกจะให้มันตรงตงสิลูกไม่สวยเดินเฉยไปเฉยมาแต่พอลูกปู่แห่งแม่เดินแม่ ก, ก็เดินเฉยไปเฉยมาลูกปูมันก็เดินตามแมา่มันทำตามแมา่ คือการเป็นครูที่ดีต้องเป็นครูที่ดี ด, ด้วยการประพฤติไม่ใช่ด้วยคําพูดครับคุณสุพันณ์ีครับกลับเรียนถามพระอาจารย์การที่เรานําอาหารที่เหลือจากการทานไปให้สัตว์เลี้ย่อนเช่นแมวนกสุนัขทานได้บุญไหมครับได้นะถ้าเป็นของเรานะถ้าเป็นอาหารของเราถ้าเป็นของคนอื่นแล้วก็จะไม่ได้ คุณธีรพัฒน์ครับสมมุติเป็นบุคลากรทางการแพทย์เช่นเป็นหมอหรือพยาบาลเข้าเวรรักษาคนไข้แต่ได้ค่าตอบแทนแบบนี้เรียกว่าทำบุญหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการชดใช้กรรมที่เคยทำเอาไว้ถ้าเป็นการทำบุญผลบุญจะเท่ากับการทำแล้วไม่รับค่าตอบแทนหรือเปล่าครับไม่เท่ากันถ้าเรารับค่าตอบแทนก็เป็นการว่าจ้างแต่ถ้าเราทำแล้ว เ, เราทำมากกว่าค่าจ้างที่เราควรได้ เราทำโอทแล้วเราไม่เอาค่าจ้างในตอนนั้นสุขสารของไข้ไม่มีใครดูแลเราก็เลยอาส า, าทําหน้าที่ต่อหลังจากเวลาที่เราเลิกงา น, นะครับเราทําต่อแล้วถ้าอย่างนี้เราก็จะได้ถ้าเราไม่ไม่รับค่าตอบแทนหรือบางทีคนไข้เขาอยากให้เราไปดูแลเขาที่บ้านนี่เวลาที่วันหยุดของเราเราก็ไป ถ้าเราไปดูแลเขาโดยที่เราไม่เก็บตังค์เขาอันนี้เราก็จะได้แต่ถ้าเราเก็บตังค์เขาบังญญว่าเราไม่ได้บุาเป็นการตอบแทนในการซื้อขายคุณมาริกาครับในการทำบุญสละทรัพย์นั้นถ้าเรายังเลือกเช่นสละทรัพย์ก็ยังเลือกให้กก่ญาติพี่น้องแทนที่จะให้ผู้อื่นถือว่ายังมีกิเลสไหมคะมมก็นนี้เหญญัติัน อาจจะมีกิเลสหรือไม่มันก็เป็นคนอี ก, อกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราได้สละทัพย์เราก็เราก็ได้สละกิเลสที่ตัวที่เกิดจากความหนหมงจากเกิดจากความตนีได้แต่การที่เลือกญาติพี่น้อ ก, ก็อาจจะยังเถือว่ายังมีกิเลสอยู่เพราะว่ยังเรืองคนที่เขาเ อ, อมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรากับคนที่ไม่ส่วนนอกก่อนที่เราจะเป็นเรื่องคนอื่นอันนี้ก็ยังเป็นความหลกอยู่คือเรายังเห็นว่า คนที่เป็นญาติของเรานี่มีความสําคัญกับคนนีแต่ถ้าเรามองโดยโดยความเป็นธรรมแล้วก็มาว่าความร้องกายของร่างกายเหมบอนกันทุกคนต้องกินข้าวด้วยกันทุกคนไม่ใช่ให้ให้ญาติเรากินคนที่ไม่ใช่ญาติเราไม่ให้กินนี้ก็มันก็ไม่คูรมันก็ควรจะให้ทั้งโค้งอย่างนีนโ ค, โคุณทีครับการแชร์ธรรมะในเฟซบุ๊กให้คนเดือดร้นถือเป็นธรรมทานไหมครับ เป็นกา ร, การให้ํามพรงครับผมคุณประภาวดีครับคุณแม่ตื่นเช้ามาเตรียมอาหารใส่บาตรแต่ฝากคนอื่นไปใส่เพราะไปเองไม่ไหวพระที่รับบาตรบอกว่าไม่มาใส่เองไม่ได้บุญจริงหรือครับไม่จริงหรอบุญที่เกิดจากการให้อาหารไปนี้ได้ส่วนบุญที่ไม่ได้ก็คือความเพียรที่จะไปที่จะไปใส่บาตรด้วยตนเองอันนี้จะไม่ได้ส่วนนี้ ต้องอาสัยคนอื่นทำให้เพราะร่างกายแล้วอาจจะไม่พร้อมที่จะทําแต่บุญที่เกิดจากการเิสละอาหารสดส่วนนี้จะได้ไม่ว่าจะให้จะใส่เองหรือให้คนอื่นใส่ก็ได้เท่ากันแต่บุญที่ไม่ได้ก็คือความเพียรพยายามการดําเนินการอันนี้ก็จะไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำํำ ค, คุณลีครับ ขอสอบถามว่าการดูอสุภะเป็นยากแก้กรรมารมณ์แล้วการแก้กความโกรธง่ายโมโหง่ายต้องใช้อะไรเป็นตัวแก้ครับต้องใช้ความบ้างน้อยสันโดษต้องความยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปลโม่อย่าไปโโอยาก ไ, ได้อย่าไปชี้ชชจุ๊บจิ้งเพื่อให้ยินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่โกรธง่ายที่เราโกรธง่ายเพราะเราอยากได้อย่างนั้นได้ได้อย่างนี้อยากให้คนก็ทําอย่างนั้นทำอย่างนี้น พอเราไม่ได้หลังใจอยากเราก็โกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราทําใจแบบยินดีตามเมดำขันได้ยังไงก็ได้เขาพูดดีก็ได้เขาพูดไม่ดีก็ได้เขาจะพูดกระแทกหนักนั้นก็ได้เขาจะชมเราก็ได้ถ้าเราถัดทําใจแบบนี้เราก็จะไม่โกรธง่ายที่เรากโกรธเพราะเราเราอยากจะให้เขาพูดดีพอเขาไม่พูดดีเราก็โก คุณชมชนครับโยมชอบทำดอกไม้จันทร์แล้วส่งไปร่วมบุญกับวัดในต่างจังหวัดที่มีโครงการบริจาคโรงฟรีแก่คนยากไร้เพราะขณะทำได้ฝึกสติได้กำหนดรู้แต่บางคนบอกว่าเป็นสิ่งอวบมงคลไม่ควรทำควรทำบุญอย่างอื่นจะดีกว่ากลาวขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับแม้กระทําสร้างโรงขึ้นมาโงศพก็เป็นมงคนโดยจากโงศพมันก็เป็นมงคลเพราะถ้า่งไม่มีโรงจะเวลา เอาเอาศพไปไว้ที่ไหนไปตั้งไว้การแจ้งตั้งไว้บนโต๊ะมันก็ดูนะามันก็ดูอุจารคนก็พูดไปตามภาษาของความไม่ไม่เข้าใจความไม่ก็ความไม่ฉลาดนี่เราลองที่เหตุผลเรื่งเหล่านี้มันเป็นของจําเป็นในงานศพใช่ไหมมีดอกไม้จัน ก, ก็เป็นเครื่องที่แสดงความไว้อาลัยต่อผู้ที่ต่องรับไปแล้วอานนี้ก็เป็นของมงคลทั้งนั้นแหละก็เป็นงานการทาที่มงคล คุณภูมิพัฒครับการภาวนาคือการทําจิตให้ว่างปราศจากความคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ขั้นหนึ่งทําจิตให้นิ่งสงบให้เย็นให้สบายในความสงบแล้วขั้นที่สองก็คือสอนจิตให้คิดไปในทางที่ตรงกับความเป็นจริงให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นขั้นที่สองขั้นแรกทำจิตให้หยุดคิดให้ว่างให้เย็นได้สงบให้สบาย เอจิตเย็นสบายนะแล้วเราก็สอนจิตให้ไปคิดในทางที่ตรงกับความเป็นจริงเพราะถ้าจิตยังไม่สงบจิตจะไม่ยอมคิดถึงสสิ่งที่เป็นความเป็นจริงนนั้จิตจะไม่ยอมคิดถึงความตายไม่ยอมคิดถึงความแก่ไม่ยอมคิดถึงก า, ารสูญเสียการพลาดพลาดจากกันแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราทุกข์เวลาที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาคุณบัวบูชาครับ การนั่งสมาธิแล้วไปเหมือนกายหายไปรู้สึกร่างกายเบาไปหมดแต่จิตยังไม่สงบคิดโน่นนี่แก้ไขอย่างไรดีให้จิตสงบเจ้าคะก็ทําต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุทโธก็พุทโธต่อไปอย่าเพิ่งหยุดยังไปไม่ถึงจุดที่สงบเต็ทีเริ่มสงบแล้วแต่ยังไม่สงบเต็มทีคุณจิราพรครับ เรีนถามพระอาจารย์ว่าทําอย่างไรจะจัดการกับความห่วงกังวลต่อสามีที่อายุเจ็ดสิบที่มีโรคประจําตัวหลายโรคทําให้มักจะอดคอยกํากับดูแลว่าควรทำโน่นไม่ควรทํานี่จนสามีรู้สึกเหมือนถูกควบคุมครับเราก็ต้องเราก็ต้องรียนรู้เราก็ต้องศึกษาความเป็จริงของชีวิตว่าชีวิตของคนเหล่านี้เป็นอย่างไรความเป็นจริงก็คือชีวิตของทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าเราไมยอมรับความจริงอันนี้เราก็จะมีแต่ความขมวดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรายอมรับว่าในที่สุดแล้วคนเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายติดเรียกไม่ได้หนีไม่พ้นพระเจ้าสอนให้เราพยายามคิดอย่างนี้ทุกวันคิดบ่อยแล้วไม่ช้าก็เลจยจิตมันก็จะมีดวงตาเห็นธรร ม, มนีดวงตาสว่างขึ้นมา่มาออชีวิตของคนทุกคนจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา พอเจตเห็นความจริงอันนี้ยอมรับความจริงอันนี้ได้ความกังวลก็จะหายไปความกังวลเกิดจากความอยากไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่สิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตามมันต้องสอนใจให้ยอมรับความจริงเหล่า น, นี้ให้ได้คุณสมจันทร์ครับ ขณะที่หายใจเข้ารู้สึกเหมือนมีปิติอ่อนๆเวลาหายใจออกปิติหายไปสมาธิมีเท่านี้จะสามารถทําวิปัสสนาได้หรือไม่คะอ๋อยังหรอกต้องดูลงไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะเน่งสงบแล้วแต่อุ เ, อเบกขานั่นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําตอนที่อยู่ในสมาธิต้องรอให้ออกจากสมาธิมาก่อน่หลังจากที่เราเลิกนั่งสมาธิแล้วถ้าเราจะไปจารณาเกิดแก่เจ็บตายก็ทําได้ ตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมาดาคิดไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนหลังจากที่ททททออกจากสมาธิมาแล้วจนกว่าเราจะไม่อยากจะพิจารณาเราก็หยุดพิจารณาแล้วกลับมานั่นสมาธิใหม่แต่อย่าทำทีเรียวพร้อมกันทั้งสองอย่า ง, งนัางทาสมาธิพอจิตสงบแล้วพยายามประคับประคองให้มันสงบไปนานๆจนกว่ามันจะไม่ยอมสมงบแล้วจนกว่ามันออกจากสมาธิมาแล้ว อพอจากสมาธิมาแล้วก็สามารถที่จะเจริญปัญญาได้ครับอาจารย์ครับตอนเจริญปัญญานี่ก็คือบางคนก็เจริญอยู่ในท่านั่งสมาธิเหมือนเดิมอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ได้ท่านไหนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนเจริญได้คุณปุ้ยครับตอนนี้นั่งสมาธิแล้วไม่เหมือนเดิมจิตไม่นิ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องที่เผลอคิดไม่ดี รู้เกือบทันอาการตัวเองเลยต้องอาศัยพุโทโธเวลาไม่ได้ทํางานเพื่อให้มีสติทําไมถึงรู้ช้าไปทุกทีเลยคะเพราะสติเราน้อยลงเรามันจะนั่งสติเหมือนดับเหมือนกับที่เราเคยทาไว้ระดับของสติเราก็จะอ่อนลงได้เมื่ออ่อนลงการจะทําให้จิตยิ่งปัญญาขึ้นยิ่งทำเพิ่มระดับของการนั่สติให้มีความมากขึ้นพยายามพุโทโธให้มากขึ้นบ่อยขึ้น คุณแจนครับมีลูกนกมาติดอยู่ตรงซอกประตูเลยช่วยออกมาแล้ววางไว้หน้าบ้านแต่มีแมวเข้ามาคาบมันไปก็เลยไม่สบายใจว่าเรามีส่วนทาให้มันตายหรือเปล่าแต่ต่อมาก็คิดว่าลูกนกก็มีกรรมของมันเองไม่เกี่ยวกับเราคิดแบบนี้ถูกไหมครับมันส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ความไม่เฉลียของเราเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นสัตว์ที่อาจจะต้องถูกสัต ว, ว์ตัวอื่นทำร้ายเราพยายามไปวางไว้ที่เป็นปลอดภัยสิถ้าเราไม่ อันนี้ก็แสดงว่าเป็นความบกพร่องทางปัญญาของเราคุณน้ปัจจุบันครับขอกลับเรียนเรื่องการปฏิบัติครับถ้านั่งสมาธิแล้วจิตสงบกายเบาจิตเบาเราต้องวางจิตยังไงต่อไปครับที่ถูกต้องเอถ้ามันมันมันถ้ามันจิตสงบมันก็นไม่ต้องไปวางจิตนะเพราะเราการน้าของเราเราเพื่อทำรักษาให้จิตมันสงบว่าจิตสงบก็ให้มันสงบปนา น, นๆแต่นั่นเอง คุณเข้มจีลาครับตั้งใจภาวนา5นาที10ในช่วงพกักกลางวันจะเกิดบุญจากการภาวนาไหมคะก็แล้วแต่ว่ามันสงบแล้วไม่สงบนถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เกิดบุญจากการภาวนาคุณนิตาครับขอเมตตาธรรมครูบาอาจารย์ในขณะเดินจงกรมจิตเห็นจิตตรงแต่งประมาทคนอื่นจิตรู้สึกว่าจิตดวงนี้ไม่ใช่เราจิตไม่มีตัวตนจากนั้นก็ว่างไปขนาดหนึ่ง รู้สึกอิสระชั่วครู่หนึ่งขอข้า น, น, นพาพราจารในการปฏิบัติต่อเจ้าค่ะการเดินจงกรมมันจ ะ, จะเจริญสติไปไม่ให้ปล่อยให้จิตปุ่งแต่งต้องหยุดความคิดปุ่งแต่งด้วยการใช้บริกรรมพูดโธพูดโธไปด้วยการเท่าเดียวการเคลื่อนไหวของเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าปล่อยให้เดินโดยที่ไม่มีสติกับกับใจเพราะไม่มีสติแล้วจิตมันจะคิดปุ่งแต่งเรื่องราวต่างๆขึันมได้ คุณภัยบูรณ์ครับก็เป็นถามครับไปเรียนปฏิบัติวัดป่าแห่งหนึ่งตอนระดับที่4ี่ให้ไปนั่งกับศพในป่าช้าสองชั่วโมงนั่งไปสักพักได้ยินเสียงเปิดฝาโลงและเสียงเดินรอบตัวและโดดรูปหลังเบาๆก็กลัวมากหลังจากนั้นทุกอย่างก็หายไปดวงจิตเหล่านั้นสามารถสัมผัส ร, ร่างกายเราได้หรือเปล่าครับอันนี้เราให้ทราบว่ามันเป็นอุปทานของเราหรือเปล่าบางทีจิตเราปลุกแต่งขึ้นไปเองก็ได้ คุณสุวรรณีครับการภาวนาคือต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือเจ้าค้าหากเราไม่นั่งสมาธิภาวนาด้วยวิธีอื่นได้ไหมคะก็เดินเดินภาวนาก็ได้ถ้าไม่นั่งถ้าไม่นั่งภาวนาก็เดินภาวนาก็ได้ยืนภาวนาก็ได้แต่ไม่แนะนํานอนภาวนาเพราะนอนภาวนามันจะหลับมันจะหลับเราสามารถภาวนาได้ในสามมิริย่างหมดเดินก็ได้เดินไปก็ใช้พุโทโธพุทโธไป ได้ยืนลงพุโทโธพุทโธไปด้นั่งลโทลโพุทโธไปก็ได้เหมืนทำได้สาได้สามเรียคุณนัตตี้ครับวิกาละโภชนาหมายความว่าเวลาใดถึงเวลาใดเจ้าคะหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถือว่าเป็นวิกาเป็นมการที่ไม่ควรที่จะโภชนาเป็นเป็นวิกาหลังจากเที่ยงวันไปแล้วสิบสองนาฬิกาสิบสอ <22. S 1> ค, คุณเจ๊เฮียงครับจริงหรือไม่เกิดมาเราต้องเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับแล้วเราจะเป็นสุขครับใช่การให้นี้จะเป็นสุขมากกว่าการราับการรับนี่ได้ความสุขน้อยกว่าการให้ความสุขที่ให้ความสุขที่ได้จากการให้นี่มันมีน้าหนักมากกว่าความสุขที่ได้จากการ คุณสีวพรครับเมื่อเราถูกคนอื่นชอบโกงทรัพย์ไปทําให้ใจทุกข์ควรวางใจอย่างไรเพื่อให้ใจไม่ทุกข์คะคิดว่าเป็นการทําบุญไปกัแล้วกันพอเราทําบุญแล้วก็เสียทรัพย์ไปใช่ไหมแต่เราเสียทรัพย์ด้วยการทํราบุญแล้วไมรู้สึกเสียใจไม่ทุกข์ใจกับเรือความสุขใจคิดว่าเราทําบุญกับคนที่เขาชอบโกงเราไปก็แล้วกันหรืออาจจะคิดว่าเป็นการใช้นี่เก่าก็ได้ ชาติก่อนเราอาจจะโกงเข้ามาชาติที่เขาอะรมากบไปอันนี้ก็อวิธีคุณไอวอรี่ครับการทําบุญร้อยวันผู้เสียชีวิตจะได้รับอานิสงฆ์ไหมคะได้จะร้อยวันสิบวันห้าวันถ้าเขายังรอรับบุญอยู่เขาก็ได้แต่ถ้าเข้าไปแล้วครับก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าดวงวิญญาณเขารอรับหรือ เ, เปล่าพราะดวงวิญญาณบางดวงที่เขาทําบุญไว้มากเขาก็ไปรับผล ไปรับบุญของเขาที่เขาทำไว้ดีกว่าที่จะมารรับบุญที่เราส่งไปให้เพราะบุญที่เราส่งไปให้เป็นเหมือนกันที่เราให้ขอทานแต่บุญที่เขาทาไว้มันเหมือนบุญที่เขาฝากไว้ในธนาคารมันมากกว่ากัดเยอะๆแล้วเขามีบุญฝากไว้ในธนาคารเขาก็ไปไปรับผลบุญทันทีไม่ต้องมารอรับบุญที่เราจะที่จะที่จะให้ขอทานพวกที่เขามีบุญเยอะเขาเกาไปเป็นเทวดานะว่ามันมารับผ พวกีมารับสมบรณ์ั ก, กเป็นพกที่ไม่ได้ทําุไม่มีบุญติดตัวไปคุณนี้ถึงจะมาลับสมคุณจิราพรครับดิฉันมีปัญหานอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากทานยาลดวิตกกังวลมานานยี่สิบปีและกําลังอยู่ในช่วงหยุดยาไม่อยากกลับไปทานยาอีกกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าผ่านแต่ละคืนที่นอนไม่หลับได้อย่างไรเพราะ บ, บั่นทอนสุขภาพมากๆค่ะก็ขั้นแรกกนะ็คืออยากไปอยากหลัด ยิ่งอยากหลับมันยิ่งยิ่งไม่หลับขั้นที่สองต้องพยายามหยุดคิดอย่าอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆวิธีที่จหยุดคิดก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือใช้คำอะไรคำพุทธโธพุทโธไปก็ได้แต่อย่าไปเจ้าว่าอยากจะหลับอยากจะหลับความอยากจะหลับนี้เป็นตัวที่จะทำให้ใจไม่หลับจะทําให้ใจเถื่อต้องอยาบไปหยาบ แ, แต่ว่ามีหน้าที่นอนก็นอนไปมีหน้าที่พุทโธก็พุทโธไป เรื่อดูลงไปหนับไม่หลับก็ไม่สําคัญถ้าทําอย่างนี้มันก็จะทําทให้เราหลับได้เราทํอย่างนี้พระอาจารย์คำถามสุดท้ายครับคนนัตตี้บอกว่าพระที่ฉันอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนรุ่งสางติดอาบัติไหมเจ้าคะก็ยังเป็นวิการอยู่ไงเพราะว่าอาหารที่จะฉันได้ต้องเป็นช่วงเช้าถึงเที่ยงเทนั้นเองตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงฉัชงเช้าฉันเพลนะต ที่ที่ท่านชันหลังเที่ยงคืนที่ท่านอ้างอ่างเป็นอะไรเพราะว่าวมัานเป็นตัวเป็นกุศโลบายของท่านว่าเป็นวันลุกเป็นวันใหม่แล้วพ่าถึงเวลาสากรไงอ๋อสากรก็คือหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วก็เป็นวันใหม่ใช่ไหมการ ท, ที่เราไปเข้าดาวปีใหม่เราไปเข้าดาวตอนเที่ยงคืนใช่ไหมครับแต่ทางศาสนาที่เราเริ่มวันใหม่ที่ตอนเช้าตอนนุ่งกับ อยที่กลับมาที่พูดกับตอบต้นเนี่ยมันสรุปครอบำถามสุดท้ายก็มาสรุปกับตอนที่เราพูดถึงตอบต้นเนี่ยพไปบินทะบาทตอนที่ยังไม่สว่างไม่ได้ก็ถือว่ายังเป็นเมื่อวานนี้อยู่อาาที่ได้จากการบินทบาทเมื่อวานนี้จะามาฉันวันนี้ไม่ได้เก็บข้างคืนไม่ได้พระเลยต้องรอให้สว่างก่อนแล้วถึงก็ อ, ออกบินทะบาท ผมว่าคำถามนี้เป็นประเด็นที่กําลังเถียงกันอยู่ตอนนี้ครับอาจารย์มีพระมีพระอาจารย์มีข่าวครับพระอาจารย์กาลังกบเถียงกันอยู่ผมฟังเหมือนประมาณว่าท่านท่านพูดว่าเออฉันมันก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรมากนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอาจารย์ที่ได้ยินก็ก็ันไม่มากนะแต่มันก็เป็นก็บาปถ้าเรารักษาศีลไม่ไดแล้วก็เสกไปเลไม่มีใครก็บัาคับให้เราบวช ถ้าบวแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับกฎกติกาของการเป็นนักบวชใช่ไหมครับผมเหมืนเป็นหมอก็ัหมอก็ต้องรับกฎกติกาของสภาคมแพทย์ใช่ไหมเขาก็มีกฎอะไรต่างๆถ้าหมอบอกว่าทำให้นิดนิดหน่อยไม่บกักไม่ผิดไม่ไม่ร้ายแรงหน้าทางสภาก็จะยอะมรับใช่ัหมมันก็ทําให้อ่ามาตรฐานของของคนที่อยู่ในสภาเนี่ยมันเสื่อม เขาต้องการรักษามาตรฐานรักษาคุณภาพของหมอให้เป็นหมอที่ที่คนจะเคารพนับถือ mm hmm. ก็เหมือนกนารแพทยก็ต้องรักษามาตรฐานของตัวเองให้คนก็าเคารพนับถือแต่ถ้ามาทําตัวผิดกติกาผิดศีลนี่มีใครอยากจะเคารพนับถือหรือเปล่าครับต้องดูที่ตรงนี้หลยคยนใหญ่โดยมากจะอ้างความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นใหญ่ เขาไม่บาปมากไมเขาไม่เป็นไรสมัยนี้เขาเปลี่ยนวิธีดูแบบสากลนแล้วอันใหม่ก็คือหลังจากเช่นงคืนแล้วหลังจากเช่นงคืกกนก็พากก็ในบุติก็ต้มมาบ้ า, บากินกันเลยไม่ต้องออกไปเป็นต่งบานครับพาจารครับวันนี้มีคนฟังอยู่ใน f ฟ c e b o o เจ็ดร้อยสิบแปดคนใน y o u ู u หกร้อยสี่สิบเจ็ดคนในขับเ้าสิบห้าคนครับ วันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังทำด้วยกันหนึ่งพันสามร้อยปสิบคนครับรู้สึกกับมาเพิ่มากขึ้นเลยนะครับเป็นท า, ายไปหลายการมา <c oughs> ยินดียินดีกับทุกการที่กลับมาร่วมฟังเทศธรรมธรรมกันและหวังว่าองค์ดั้นจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยการแสดงการสอนนราธรรมกันในคืนคนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็อขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อคามสึกความเจริญ ก้าวหน้าในธารมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไวเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อบอันใดก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตหน้าเวลาเดิมขอเจริญกรุณาขอบพระคุณอาจารย์ครับ